พรุ่งนี้ก็เป็นวันถวายผ้ากระถินพระราชทานของวัญญาณสังวรารามคำว่ากระถินก็คือผ้าที่เอามาตัดเย็บเป็นจีวรการถวายผ้ากระถินนี้เป็นประเพณีมาตั้งแต่สมัยที่พระพุทธเจ้าทรงมีพระชนชีพยอยู่ทรงเป็นผู้ อ, อนุญาตให้มีการถวาย อ๋อในยุคแรกๆนั้นพระภิกษุไม่มีไม่ไม่ได้รับผ้าจากญาติโยมโดยตรงญาติโยมจะทำบุญแต่ใส่บาตรหรือสร้างที่วาชัยแต่ผ้านี้เป็นธรรมเนียมของของผ้าที่จะไปเก็บผ้าที่ทิ้งแล้วที่เรียวกว่าผ้าบาังสุกุลผ้าหอ่อศพผ้าที่ทิ้งไว้ในป่าช้า หรืทิ้ไงไว้ตามกองขยะพ้าท่านผ้าก็จะไปเก็บผ้าซึ่งเป็นเศษผ้าชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ชิ้นน้อยมารวบรวมมาไว้พอได้จํานวนพอที่จะมาตัดเย็บเป็นผ้าจีวรท่านก็จะมาตัดเย็บเป็นผ้าจีวรแล้วก็ไปซักด้วยน้ําฝาดคือน้ําที่ต้มด้วยแก่นไม้มีแก่นไม้ออกเป็นผ้าสีเหลืองๆที่เรียกว่าผ้า กาสาวพักเนี่ยก็ได้มาจากน้ำสีน้ำของแก่นไม้ซึ่งในสมัยนี้ทางสายผ้าป่าเราก็ยังใช้การซักย้อมผ้าด้วยแก่นไม้ใช้ผ้าใช้แก่นขนุนแก่นของต้นขนนุนนี่มันจะออกสี้งเหืองเอามาต้มมาเคี่ยวมันแล้วก็เอาผ้าที่จะซักจะย้อมนี่ใส่เข้าไปในน้า ก็จะได้ผ้าสีเหลือออกมาสมัยก่อนไม่มีผ้าไม่มีสีสังเคราะ์เหมือนสมัยนี้สมัยนี้มีสังสีสังเคราะ์สีวิทยาศาสตร์ก็เลยเอามาเอามาเสริมเลยทําให้มันดูสีเข้มขึ้นปกติถ้าเป็นสีผ้าแก่นไม้มันจะสีเหลืองอ่อนๆจางๆทีนี้มีพระมาบวชกันเยอะขึ้นเพราะเกิดศรัทธา ที่จะไปหาผ้ามันก็ไม่มีแล้วขาดผ้ากันะพระพุทธเจ้าก็เลยก็เห็นว่าญาติโยมก็ไม่ไม่ถวายกันก็เลยบอกว่าอถวายผ้าจะได้บุญมากนะจะได้ประโยชน์มากเพราะเป็นสิ่งที่ขาดแคลนตอนนี้พระภิกษุขาดแคลนผ้าธรรมดาพาพระพุทธเจ้าจะไม่ขอจะไม่บอกจะปล่อยให้ให้เป็นไปตามตามมีตามเกิด ตามอัธยาศัยของผู้ให้แต่ที่นี้มันมันขาดแคลนจริงๆมันเดือดร้อนจริงๆมีคนมาบวชมากขึ้นมากขึ้นแต่ผ้าที่จะห่มมันไม่มีกันก็เลยทรงตัดบอกว่าต่อไปนี้ถ้าอยากจะถวายผ้าก็ถวายได้นะแต่ให้มันมีประมาณเดี๋ยวบอกให้ถวายก็จะถวายกันเป็นแบบแลบาบเป็นโกดังเป็นอะไรขึ้นมาอีกก็เลยมี มีเงื่อนไขของการถวายผ้ากถินคือแต่ละวัดนี่จะจะรับผ้ากถินได้เพียงครั้งเดียวและต้องรับภายหลังจากออกพรรษานับตั้งแต่วันออกพรรษาถึงวันเพ็ญเดือนสิบสองหนึ่งเดือนเต็มเป็นช่วงระยะเวลาที่ญาติโยมจะถวายผ้าให้กับพระได้เพราะว่าพระจะได้ ไม่ต้องมาคอยรับผ้าทั้งปีเดี๋ยวก่อคนนั้นอยากจะถวายเดือนนู้นเดือนนี้ก็ต้องมาคอยอจัดพิธีทำพิธีกันก็เลยอนุ ญ, ญาตให้เพียงเดือนเดียวแล้ววัดอย่างนี้ก็รับได้ครั้งเดียวแล้วต้องมีพระอยู่จำพรรษาอย่างน้อยห้ารูปขึ้นไปผ้าก็ต้องเป็นผ้าขาวผ้าที่ยังไม่ได้ตัดเย็บเป็นีกวนีน เพราะเพราะว่าท่านต้องการให้ผ้ามาตัดเย็ยบกันเองไม่เอาผ้าสําเร็จรูปผ้าขาวแล้วก็เอามาตัดมาเย็ยบกันแล้วมาซักมาย้อมกันเองคือทงต้องการให้พระภิกษุพึ่งตนเองไม่ให้สบายเดี๋ยวนี้พระสมัยใหม่นี้ไม่รู้จักตัดผ้าเย็ยบจีวรของตเนเพราะว่ามีญาติโยมถวายผ้าสําเร็จรูป ก, กันที่ถวายที่หอมก็ามาเป็นหอมเหลืองๆนี้ก็ เป็นผ้าสําเร็จรูปสวมสสยได้นะผ้าบางรูปก็จะไม่รู้จักวิธีตัดเย็บจีวรแต่ทางสายผ้าป่านี่ท่านจะคงธทำเนียมตัดเย็บผ้าของตนเองอาจจะเอาลากผ้าขาวมาแล้วก็มาหาตัดเย็บกันอันนี้ที่เป็นเป็นบุญมากเเป็นประโยชน์ก็เพราะเป็นประโยชน์มากเพราะมันขาดแคลนมาก แต่ความจริงบุญมันจะมากว่ามันจะน้อยนี้มันอยู่ที่ปริมาณของเงินทองหรือข้าวของที่เราบริจาคไปถ้าเราบริจาคมากมันก็บุญมากเาได้บุญมากเหมือนกินอาหารถ้ากินน้อยก็อิ่มน้อยถ้ากินมากก็อิ่มมากบุญก็คือความอิ่มใจสุขใจถ้าเราบริจาคได้มากเราก็จะมีความอิ่มใจมากนี่ทาง ทางชาวชาวไทยเราก็เลยถือเป็นบุญใหญ่ประจำปีเพราะทำได้เพียงครั้งเดียวทุกคนก็เลยพุ่งเป้าไปที่บุญนี้กันพอถึงปีหนึ่งมีงานทอดกระถินก็ช่วยเลี้ยลายลอยจา ก, กันเพราะคิดว่าได้บุญมากแต่ความจริงทำบุญอย่างอื่นก็ทำบุญตามปกติก็ได้บุญเหมือนกันมากน้อยก็อยู่ที่ ปริมาณเงินที่เราหรือข้าของเงินทองสิ่งที่เราไม่อยู่ที่เราบริจาคไปเสียสละไปอันนี้ก็เป็นที่มาที่ไปของเรื่องของการถวายผ้ากรถินทีนี้ผ้ากรถินมันก็มีราคาไม่กี่ตังคเลยถึงญาติโยมอยากจะถวายมากพอจะได้เอามาบำรุงทำนุบำรุงบุญนะ ทาัพว์อวัลวัตุต่างๆาวัดก็มีโบสถ์มีเจดีย์มีศาลามีกุติมีสิ่งปลูกสร้างต่างๆและมีการดูแลรักษากันก็มีค่าใช้ใจ่ายก็เลยนอกจากผ้าก็เลยมีการถวายทรัพย์เป็นบริวารทำไมนี้ผ้าเรยกลายเป็นเรื่องไม่สำคัญไป ทราบเป็นเรื่องสำคัญกว่าเวลาถวายเสร็จก็จะดูปยอดเงินว่าบริจาคกันเท่าไหร่แต่ความจริงหหวใจของการถวายกระถิ น, น, นี่ก็คือผ้าเพื่อให้พระมีผ้าได้นุ่งห่มกันแต่ทีนี้มีการถวายผ้ากันทั้งปีใครอยากจะทำบุญบางทีก็ซื้อผ้าไตมาถวายกันผ้าก็เลยมีกันมากจน มันกลายเป็นเหมือนกับเป็นพระภาละไปมันเยอะก็ต้องเอาไปแจกจ่ายไปถิ่นที่กันดารที่ห่างไกลที่มีพระแต่ไม่ค่อยมีญาติโยมที่มีกำลังที่จะถวายผ้าได้ก็มีการเอาไปทำผ้าป่านอถ้าผ้าป่านี้ถวายได้ทั้งปี ไม่มีผ้าป่านี้ไม่ได้เป็นพุทธประเพณีไม่ได้เป็นพุทธอนุญาตเนผ้าป่าก็คือตามตามรูปแบบเดิมก็คือเอาผ้าไปทิ้งไว้ในป่าแล้วเผื่อพระเดินผ่านมาเห็นผ้าเขาอยากได้ขาดผ้าก็หยิบไปได้ทีนี้เขาก็เลยเอาไปทิ้งไว้ที่ศาลาให้พระไปชักผ้ า, า, าก็เหมือนเขาไปไปเดินไปเจอผ้าแล้วก็ไป ไปชักผ้ามาออันนี้ไม่ต้องให้ญาติโยมประเคนถ้าเป็นผ้าทิ้งไว้นี่ผ้าสามารถที่จะไปหยิบเอามาถ้ารู้ว่าเป็นผ้าที่เขาทิ้งแล้วไม่มีเจ้าของก็สามารถไปหยิบเอามาตัดเย็บเป็นจีวรได้แล้วก็เลยเรียกว่าผ้าป่าผ้าบางสกุลผ้าบางสกุลก็คือผ้าที่เขาห่อศพสมัยโบราณเขาไม่เผา เอาหอสบแล้วทิ้งไว้ในในป่าปล่อยให้มันผุเปื่อยไปให้เป็นอาหารของแร้งของกาไปทำไมนีแเราก็เลยมินิยมอต่อให้ผ้าในงานงานศพกันก็เป็นเหมือนผ้าหอ่อศพเพียงแต่ว่าไม่ได้หอ่อศพตั้งไว้ที่หน้าโรงศพนล้วให้ผระไปชักผ้าบางสกุล ผ้าบางสกุลก็คือผ้าห่อศพหรือผ้าป่าผ้าที่ทิ้งไว้ในป่าช้าอผ้าบางสกุลแปลว่าพระเราเรียกว่าผ้าป่ากันป่าท่านก็ไปชักบางสกุลแล้วท่านก็จะพิจารณาความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของร่างกายที่ท่านกล่าวว่าอนิจจาวัตถสังขาราสังขารทั้งหลายเช่นร่างกายนี้ไม่เที่ยงหนอะโอปัตตวอ อนิจจาวัตถสร้างขาราอุปด่าวยะธรรมินโนอุปจิตวาเนรุตชันติเตสร้างอุปะสะโมสุขโคแปลว่าร่างกายนี้ไม่เที่ยงหนอมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นธรรมดาเกิดแล้วก็ต้องดับไม่ว่าจะเป็นของใครถ้าปล่อยวางร่างกายได้ก็จะมีความสุขที่พวกเราทุ ก, กันก็เราไปยึดติดร่างกายกัน เพราะความหลงไปคิดว่าร่างกายนี้เป็นของเราเป็นตัวเราเลยทำให้อยากให้ร่างกายนี้อยู่ไปนานๆไม่อยากให้ตายพอร่างกายตายเราก็เลยเสียหกเสียใจทั้งๆที่เราไม่ได้ตายไปกับร่างกายแต่เราไม่รู้เพราะเราไม่เคยเห็นตัวเราเราไม่รู้ว่าตัวเรานี้ไม่ใช่เป็นร่างกายเรารู้ว่าเราเป็นคนคิดคนสั่งให้ร่างกายทำอะไร แต่เราคิดว่าเป็นส่วนเดียวกับร่างกายคิดว่าคนคิดคนสั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างนี้มาจากสมองนักวิทยาศาสตร์สมัยนี้เขาคิดว่าสมองนี้เป็นผู้สั่งการให้ร่างกายคิดให้ร่างกายผู้ให้ร่างกายทำอะไรต่างๆแต่พระพุทธเจ้านี้อ่าดูเห็นว่าใจผู้คิดผู้สั่งผู้นี้ไม่ได้เป็นร่างกาย ทงใจออกจากกายด้วยการนั่งสมาธิเวลานั่งสมาธินี่ใจจะสงบใจจะแยกใจจะปล่อยวางร่างกายชั่วข่าวตอนนั้นใจจะไม่รับรู้เรื่องของร่างกายเลยเรื่องสิ่งต่างๆที่เข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายนี่จะหยุดเพราะจิตที่กระแสจิตที่ส่งไปเกาะที่ตาหูจมูกลิ้นกายนี้ถูกดึงเข้าข้างในดึงออกจากร่างกายชั่อข่าว ก็เลยเห็นว่าผู้รู้ผู้คิดนี้กับร่างกายนี้เป็นคนละคนกันก็เลยแล้วก็เห็นโทษของการที่ไปหลงยึดติดกับร่างกายว่าเป็นตัวเราของเราเราก็จะรักจะหวงจะอยากไม่ให้แก่ไม่อยากให้เจ็บไม่ให้ตายพอใจเกิดความอยากเหล่านี้ขึ้นมาก็เลยเกิดความ ทุกความไม่สบายใจขึ้นมาแต่เวลาที่เราไม่ปรยากให้ร่างกายแก่ร่างกาัร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเราจะไม่เดือดร้อนเช่นตอนนี้ถ้าเราไม่ไปคิดถึงเรื่องแก่เจ็บตายนี่เราจะไม่ทุกข์เลยเราจึงไม่ยอมคิดถึงเรื่องแก่เรื่องเจ็บตายกันเพราะคิดแล้วมันทําให้เราทุกข์คิดแล้วเราก็ไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายแต่ก็รู้ว่าเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายคือร่างกาย แล้วก็คิดว่าเราเป็นร่างกายไปด้วยความจริงเรานี้ไม่มีเราไม่เคยแก่ไม่เคยเจ็บไม่เคยตายตัวเรานี้ไม่มีรูปไม่มีร่างมันไม่เป็นสังขารเหมือนร่างกายมันเป็นธาบรู้เป็นธาตุที่ไม่มีไม่มีเจริญไม่มีเสื่อมเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นไปเหมือนกับอวกาศธาตุเนี่ยที่อยู่รอบตัวเรานี่ก็เรียกว่าอวกาศธาตุ อวกาศนี่มันอยู่ของมันมีอยู่ของมันอย่างนั้นไม่มีใครไปทำลายมันได้ความว่างที่เราอยู่นี่ที่พื้นที่ที่เราตั้งอยู่นี่มันเราเรียกว่าอวกาศอันนี้มันมีอยู่ของมันอยู่ตลอดเวลาไม่มีขึ้นไม่มีลงไม่มีเจริญไม่มีเสื่อมเด็ดผู้รู้ผู้คิดก็แบบเดียวกันไม่มีขึ้นไม่มีลงไม่มีเจริญไม่มีเสื่อม เพียงว่าตอนนี้มันมีสุขหรือมีทุกข์ถ้าคิดไม่เป็นก็ทุกข์ถ้าคิดด้วยความหลงก็ทุกข์ถ้าไปคิดว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้บุคคลนั้นบุคลบคลนี้เป็นของเราเป็นตัวเราก็จะทุกข์ขึ้นมาเพราะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันไม่ได้อยู่กับเราไปตลอดหรือว่ า, าพอร่างกายนี้ตายไปทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีผ่านทางร่างกายมันก็เป็นของคนอื่นไปหมด เราเอาไปไม่ได้เอาติดตัวไปไม่ได้เลยตัวเราที่ไม่ตายเนี้ยไปต่อเพราะไม่มีร่างกายก็เลยไปหาร่างกายใหม่ที่เรียกว่าไปเกิดใหม่ที่พ้าที่พายเราไปเกิดใหม่เพราะเรายังต้องการใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขต่างๆถ้าเราไม่มีร่างกายแล้วก็ไม่มีตาดูไม่มีหูฟังความอยากดู อยากฟังก็ไม่สำไม่สาเร็จประโยชน์ได้จนกว่าจะมีร่างกายพอมีร่างกายเราอยากจะดูอะไรแล้วก็พาร่างกายไปดูอยากจะฟังอะไรก็พาร่างกายไปฟังอย่างที่เราทํากันอยู่ทุกวันนี้เราก็ไปหาความสุขทางตาหูจมูกเล่นกายกันทีนี้มันเป็นความสุขแบบยาเสพติดมันสุขเดียวเดียวสุขชั่วคราวเวลาได้เสพก็สุขพอ ผ่านไปปั๊บเดียวมันก็หายแล้วก็เกิดความอยากเสพขึ้นมาใหม่ก็ต้องเสพอยู่เรื่อยติดเป็นยาเสพติดไปเวลาไม่ได้เสพก็ทุกเวลาร่างกายไม่สามารถทำหน้าที่ได้ก็ทุ ก, กันเวลาร่างกายไม่สบายเวลาร่างกายแก่เวลาร่างกายตายนี่มันไม่สามารถทำหน้าที่ตอบสนองความอยากของเราได้ความอยากความต้องการของเราได้ เราก็เลยทุกขเหมือนคนติดยาเสพติดคนติดยาเสพติดเวลาไม่ได้เสพยาก็จะทุกขกันคนติด ri, บุหรี่เวลาไม่ได้สูบบุหรี่ก็ทุกขกันคนติดสุลาเวลาไม่ได้ดื่มสุราก็ทุกขกันคนติดละครไม่ได้ดูละครก็ทุกกันคนติดเที่ยวเวลาไม่ได้เที่ยวก็ทุกขกันเราหาความสุขแบบผิดเป็นความสุขที่จะต้องจบด้วยความทุกข์เสมอ สบถ้ายด้วยความทุกข์เราจึงพยายามเสพอยู่เรื่อยๆเพื่อจะได้ไม่ให้มันทุกข์แต่มันมีขอบเขตของมันทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มีขอบเขต ร, ร่างกายเราก็มีขอบเขตะสิ่งที่เราเสพมันก็มีขอบเขตบางทีได้มาแล้วมันก็หมดไปละก็ต้องหาใหม่อยู่เรื่อยๆพอร่างกายตายไปก็ต้องไปหาร่างกายอันใหม่ไปเกิดใหม่ ถ้าไม่อยากจะเกิดใหม่ก็ต้องหยุดความอยากนี้ไม่ไม่ทำต่างความอยากเลิกเลิกเลิกเสพความสุขทางต า, งางหูจมูกมืนกายวิธีที่จะเลิกเสพได้ก็ต้องมาถือศีลกันเป็นมาถือศีลแปดเนี่ยการถือศีลแปดก็เป็นการตั้งกฎระเบียบตั้งกติกาใหม่ให้กับชีวิตเราว่าต่อไปนี้เราจะไม่กินข้าวเย็นเนี่ย เราจะไม่หาความสุขจากการกินอาหารกินได้แต่ให้กินแบบกินยากินพอให้ร่างกายอยู่ได้เพิ่งกินวันละมื้อสองมื้อก็พอไม่ต้องกินทั้งวันทั้งคืนอย่างที่เรากินกันเอาแค่พออยู่ได้กินเพื่ออยู่กาไม่ให้เกินเที่ยงวันไปแล้วอันนี้เรามาตั้งกฎกติกาใหม่ต่อไปนี้เราจะไม่ใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย เราจะไม่ร่วมหลับนอนกับแฟนเราจะไม่เที่ยวไปเที่ยวตามสถานบันเทิงสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆไปดูมหอศลศพบันเทิงอะไรไม่แต่งเนื้อแต่งตัวแต่งหน้าทาปากทำาเผ้าทำผมอันนี้ก็เป็นการหาความสุขทางร่างกายกันทางตาหูจมูกเล้นกายแล้วก็ไม่นอนมากจนเกินไปนอนพอละพอประมาณพอให้ร่างกายได้พักผ่อน ก็ต้องนอนเบาะบนบ น, บนื้นที่ไม่ค่อยสบายถ้านอนบนเตียงบนพื้นที่มันนุ่มมันหนานอนแล้วมันสบายมันก็จะนอนมากกว่าความต้องการของร่างกายเวลาร่างกายพักผ่อนเสร็จตื่นขึ้นมาถ้ามันนุ่มมันสบายก็นอนต่อก็จะไม่มีเวลามามาม า, มาสร้างความสุขแบบใหม่มาสร้างความสุขที่จะมาทดแทนความสุขที่เรา หากันในตอนนี้เป็นความสุขที่จะไม่มีโทษตามมาไม่มีทุกข์ตามมาเป็นความสุขที่ไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือก็คือการมานั่งสมาธิทําใจให้สงบขึ้นถ้าเราสามารถควบคุมใจให้หยุดคิดได้ใจสงบใจจะมีความสุขที่ดีกว่าความสุขที่ได้จากการไปใช้ร่างกายไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆ ถ้าเราสามารถทำได้ <bara> เราก็จะเลิกพึ่งร่างกายได้เราไม่ต้องมีร่างกายไม่ต้องใช้ร่างกายเวลาร่างกายแก่ก็ยังมีความสุขได้จากการทำใจให้สงบเวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยก็ยังทำใจให้สงบได้เวลาร่างกายตายไม่มีร่างกายก็ยังทำใจให้สงบได้มีความสุขได้โดยที่ไม่ต้องใช้ร่างกาย ยพระพุทธเจ้าจึงไม่กลับมาเกิดเพราะพระพุทธเจ้าสามารถทำใจให้สงบได้ตลอดเวลาก็เลยไม่ต้องมีความจําเป็นจะต้องมีร่างกายไม่ต้องเสบรูปเสียงกลิ่นรสเหมือนกับที่พวกเราเสกันท่านเสกความสงบแทนทำใจให้สงบโดยใช้ธรรมคือสติสตินี้จะเป็นเบรกที่จะหยุดความคิดต่างๆได้ถ้าเรามีสติเราจะหยุดความคิด ทำใจให้สงบทำใจให้มีความสุขได้โดยที่ไม่ต้องไปมีอะไรมาให้ความสุขอันนี้ก็จะทำให้เรามีความสุขที่ถาวรเพราะเราสามารถทำได้ตลอดเพราะสตินี่อยู่กับใจไม่มีวันเสื่อมพอเราสร้างสติขึ้นมาแล้วมันก็จะมีสติอยู่กับเราไปตลอดสร้างปัญญาเพื่อกาจัดตัวที่จะมาทำลายความสงบก็คือความอยากต่าง ปัญญาคอ ย, คอยกําจัดตัวที่จะมาสร้างความวุ่นวายใจคือความอยากให้กับใจพอปัญญาทําลายความอยากหมดก็จะไม่มีอะไรมาสร้างความความวุ่นวายใจใจที่ไม่มีความอยากกับใจที่มีความอยากต่างกันเวลาเราอยากกับไม่อยากนี่เป็นไงเวลาไม่อยากไปไหนอยู่บ้านสบายไหมแต่พอเราอยากก็ออกไปนี่อยู่บ้านไม่ได้ใช่ไหมวุ่นวายนะ้วนั่นแหละ ถ้าเราหยุดความอยากได้เราก็จะอยู่บ้านต่อไปได้ที่เราไม่รู้จักวิธีหยุดกันไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือกันถ้าเรามาอยู่วัดมาฝึกสร้างเครื่องมือสามตัวสติสมาธิปัญญาถ้ามีสติเราก็จะนั่งสมาธิทำใจให้สงบได้เป็นสมาธิได้เราก็จะได้ความสงบความสุขชั่วคราวขณะที่อยู่ในสมาธิแต่พอออกจากสมาธิมาถ้าใจเกิดความอยากความสงบก็จะหายไป ถ้าเรามีปัญญาเราก็สอนใจว่าอย่าไปทําตามความอยากเพราะเป็นการไปหาความทุกข์ไปการเป็นการไปเสพยาเสพติดที่จะต้องเสพไปเรื่อยๆไ ม, ไม่ไม่มีวันสิ้นสุดแต่ถ้าเราเลิกเสพได้ต่อไปเราก็ไม่ไม่ต้องพึ่งยาเสพติดคนที่ติดบุหรี่ถ้าเลิกบุหรี่ได้ต่อไปก็ไม่ต้องสูบบุหรี่คนที่ติดสุราก็เหมือนกันติดอะไรถ้าฝืนใจไม่ทําตามความอยากเพียงไม่กี่ครั้งความอยากนั้นมันก็หมดกําลังไป แล้วมันก็จะไม่มารบกวนใจเราอีกต่อไปใจของเราก็อยู่เฉยๆสบายอยู่บ้านสบายไม่ต้องวุ่นวิ่งโนให้เหนื่อยไม่ต้องไปหาเงินหาทองไปทำงานไปเป็นลูกน้องเขาให้เขาสั่งเราให้เขาด่าเราว่าเราเราเป็นเจ้านายของเราเองอยู่บ้านถ้าททำก็ทำเพียงพอเลี้ยงปากเลี้ยงท้องก็พออันนี้จำเป็นต้องมีต้องมีอาหารมีปัจจัยสี่แต่มันไม่มาก ทำอาทิตย์ละวันก็พอก็ปีละเดือนนี้ก็เหลือเฟือแหละทางานอาชีพอิสระก็ได้แล้วเราก็จะอยู่อย่างมีความสุขไม่ต้องไปดิ้นรนต้องไปแข่งแย่งกันเวลาออกไปหาความสุขข้างนอกก็ไปแข่งแย่งกันไปเข้าคิวกันไปดูภาพยนตร์ไปเข้าอะไรต้องยื น, ยนเข้าคิวกันขับรถก็ต้องไปแข่งกันแย่งกันวนท้องถนน มีแต่เรื่องแย่งแก่งแย่งกันเท่านั้นพอออกจากบ้านแทนที่จะมีความสุขกลับไปเครียดกันบนท้องถนนนะบางทีก็ด่ากันในใจนะไม่มเลยบางคนทนไม่ไว้ด่าทางปากแล้วก็ตีกันเนี่ยเราไปหาความทุกข์กันไม่ใช่ไปหาความสุขกันวิธีหาความสุขต้องหาแบบพระพุทธเจ้าคือเราต้องมาถือศีลกันถือศีลแปด ก, กัน ห้ามใจห้ามตัวเราไปใช้ร่างกายไปหาความสุขเพื่อที่เราจะได้มีเวลามาหาความสุขจากการปฏิบัติธรรมจากการเจริญสติสติพอมีสติเรานั่งสมาธิก็จะสงบสงบก็มีความสุขแล้วถ้ามีปัญญาพอออกจากสมาธิมาก็ใช้ปัญญารักษาความสุขไว้ด้วยการทำลายความอยากทุกครั้งที่มันเกิดขึ้นมาทานี้เราก็จะ มีความสุขไปตลอดไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดเด็กต่อไปไม่ต้องมาทุกกับความแก่ความเจ็บความตายไม่ต้องมาทุก ก, กับการพัดผ้าจากกันอันนี้คือประโยชน์ที่เราได้รับจากการที่เราไปทําบุญทอดกรถินกันเพราะเราจะได้ยินได้ฟังธรรมเวลาไปวัดนี่พระอาจารย์จะมีหน้าที่อบรมสั่งสอนแสดงธรรมให้กับพวกเราเหมือนกับเวลาที่เราไปโรงเรียน ครูก็ต้องมีหน้าที่สอนเรามาวัดก็มาเหมือนมาโรงเรียนแต่มาเรียนวิชาที่ไม่มีโรงเรียนในโรงนี้สอนกันก็คือวิชารมวิชาที่จะทําให้เราได้พบกับความสุขอีกรูปแบบหนึ่งที่ดีกว่าความสุขที่เรากําลังหากันอยู่ในขณะนี้เพราะเป็นความสุขชั่วคราวและเป็นความสุขที่มีความทุกข์ตบท้ายเสมอ เวลาแก่เวลาเจ็บเวลาตายนี่ก็เป็นเวลาตบท้ายของความสุขของทางร่างกายกันยังไม่มีใครอยากจะแก่อยากจะเจ็บอยากจะตายกันแต่ก็หลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะร่างกายมันเป็นธ<ส>รรมชาติที่ไม่มีใครไปห้ามมันได้มันเป็นเรื่องของธรรมชาติเหมือนกับฝนฟ้าอากาศที่ไม่มีใครไปห้ามมันได้ไปสั่งมันได้เมื่อมีเหตุให้ฝนตกมันก็ตกเมื่อมีเหตุให้ลมพัดลมพายุพัดมันก็ลมพายุ ก, ก็มา ดังนั้นมีวิธีเดียวที่เราจะเอาชนะธรรมชาติได้ก็คืออย่ามายุ่งกับธรรมชาติอย่ามาเกิดเพราะการมาเกิดก็มายุ่งกับธรรมชาติมายุ่งกับร่างกายที่เป็นธรรมชาติ <c oughs> การจะไม่กลับมาเกิดได้ก็ต้องปฏิบัติเนี่ยรักษาศีลถือศีลแปดไปหรือถือศีลของนักบวชของพระไปแล้วก็ทุ่มเทเวลาให้กับการเจริญสติ ควบคุมความคิดไม่ให้คิดหยุดความคิดได้นั่งสมาธิจิตก็ลงรวมเป็นสมาธิได้ก็จะพบกับความสุขที่ดีกว่าความสุขของทางร่างกายแล้วก็ใช้ปัญญาสอนใจอย่าไปทาตามความอยากเพราะเป็นการไปเสพยาเสพติดเป็นความสุขแบบยาเสพติดที่จะต้องเสพไปเรื่อยๆที่จะต้องใช้ร่างกายแล้วจะต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอย่างนี้ไปเรื่อย พอเราสามารถทําได้เราก็ยุติการเกิดแก่เจ็บตายไม่มีวันแก่วันเจ็บวันตายอีกต่อไปเนีพระพุทธเจ้าหลังจากที่ร่างกายของท่านตายไปแล้วท่านก็ไม่มีร่างกายอีกต่อไปแล้วแต่ตอนนี้ท่านก็ยังอยู่ใจของท่านก็ยังอยู่เหมือนเดิมแต่อยู่แบบไม่ไม่ไม่มีความอยากไม่มีความทุกข์อยู่กับความสงบไปตลอดเกลียด น, นิพพาน น, นิพพานบาล นิพพานังปละมังสุขขังนิพพานเป็นความสุขอย่างยิง่งนิพพานปรมังสุญญอย่างเพราะนิพพานก็เป็นความว่างจากความอยากไม่มีความอยากอยู่ในใจสูญ์จากความอยากสูญ์อย่างนีน้แปลว่าใจที่ไม่มีความอยากใจที่ไม่มีความโลภความโกรธความหลงใจที่ไม่ต้องพึ่งพาอะไรต่างๆมาให้ความสุขใจพึ่งความสงบของตนเอง ใจไม่มีวันตายมีมีมีแต่จะทุกข์หรือจะไม่ทุกข์อย่างพวกเรานี่ยังทุกกันอยู่เพราะยังอยากกันอยู่ยังมีความอยากก็เลยต้องทุกข์เพราะเวลาไม่ได้ดังใจอยากก็ทุกข์หรือได้แล้วพอมันหมดไปก็ทุกข์อีกเนี่ยแต่คนที่ไม่มีความอยากก็จะไม่มีความทุกข์มีแต่ความสุขไปตลอ ด, ดงใจของพวกเราต่างนะใจของพระเจ้าตรงที่ว่าเรายังต้องหาร่างกาย ต้องหาสิ่งนั้นสิ่งนี้มาให้ความสุขอยู่เรื่อยๆแต่ใจของพระพุทธเจ้านี้ไม่ต้องหาอะไรแนละ้วมีความสงบเป็นสิ่งที่ให้ความสุขแทนก็เลยสบายอยู่เฉยๆไม่ต้องทําอะไรก็มีท่า น, นี้แหละเรื่องชีวิตของพวกเราถ้าเราอยากจะพบกับความสุขถาวรไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดซ้ําน้าซ้ําอีกอย่างที่เราเป็นกันอยู่ในตอนนี้ก็ต้อง เนี่ยต้องถือเสียงกันยุติการใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขกันแล้วก็มาควบคุมใจให้สงบไม่ให้คิดอะไรต่างๆแล้วก็ใช้ใจใช้ปัญญาสอนใจว่าอย่าไปทําตามความอยากเพราะสิ่งที่เราทําตามความอยากนี่มันเป็นของชั่วคราวได้มาแล้วเดี๋ยวก็ต้องหมดไปหมดไปก็ต้องหาใหม่หาไม่ได้ก็ทุกข์ เวลาหมดไปก็ทุกน์งั้นอย่าไปหาดีกว่าอย่าไปมี อ, อะไรดีกว่าอยู่กับความสงบดีกว่านี่คือประโยชน์ที่เราได้รับประโยชน์ที่แท้จริงจากการไปทอดกระถิ่นคนจะเป็นจากการได้ฟังเทศฟังธรรมแต่คนส่วนใหญ่ก็ไม่เข้าเข้าไม่ถึงไปถึงวัดก็ไปไม่ถึงวันไปเสร็จทอดเสร็จก็หอกลับบ้าน พอพระจะแสดงทำไปแล้วถอนถอยทับ ก, กันหมดนะ้วก็เลยไม่รู้เรื่องได้เพียงแต่บุญที่จะเกิดจากการบริจาคทรัพย์เสียทรัพย์ไปเท่า น, นั้นเองแต่เป็นเป็นบุญส่วนย่อยถ้าเป็นเงินก็เป็นเหมือนเหรียญเงินเหรียญเหรียบาทเหรียญห้าเหรียญสิบอะไรเนี่แต่จะไม่มีวันได้แบงค์ร้อยแบงค์ห้าร้อยแบงค์พันเงินถ้าอยากจะได้แบงค์พันนี้ต้องพังเทศฟังธรรม จะได้บุญเยอะก็จะได้รู้จักวิธีไปปฏิบัตินไปปฏิบัติเราก็จะหลุดพ้นจากการเรียนว่ายตายแก่หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวดฉั้นพยายามเข้าหาธรรมะเถิดไม่มีอะไรจะมีคุณค่ากับธรรมของพระพุทธเจ้าจะได้ทำก็ต้องศึกษาก่อนวิธีว่าทำจะได้ทํานี้ทําอย่างไรก็ต้องศึกษาฟังเทศฟังธรรม เราก็จะได้รู้วิธีอย่างวันนี้ก็รู้แบบสังเกตหรือว่าต้องรักษาศีลหรือว่าต้องไปไปอยู่ที่เงียบที่สงบที่ห่างไกลจากแสงสีเสียงเพราะมันจะมายุ่ยยวนกวนใจจะทำให้ใจสงบยากก็ไปอยู่ตามวัดป่าวัดเขาไปที่สงบแล้วก็ไปฝึกสติสร้างสติขึ้นมาวิธีสร้างสติก็ง่ายๆก็คือให้ราลึกถึงพุทธโธไป ให้ท่องพุโทโธพุธโทโธไปภายในใจอย่าไปคิดถ้าพุโทโธได้มันก็จะคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้เพราะพุโทโธก็เป็นความคิดเหมือนกันเป็นความคิดที่จะมากันไม่ให้ไปคิดเรื่องอื่นคิดอยู่กับพุโทโธมันไม่ทําให้เกิดความวุ่นวายใจไม่ได้เกิดความอยากแต่ถ้าไปคิดเรื่องอื่นเดี๋ยวก็เกิดความวุ่นวายใจขึ้นมาเกิดความอยากขึ้นมาแล้วก็จะรักรษาศีลไม่ได้ก็อยากจะกลับไปบ้างอยากจะกลับไป ไปเที่ยวไปทําอะไรกันแต่ถ้ามีพุโทโธก็จะควบคุมความคิดไว้ไม่ให้ไปอยากสิ่งต่างๆและเวลานั่งเฉยๆจิตก็จะรวมเป็นสมาธิได้ยังต้องฝึกฝึกพุโทโธก่อนฝึกสติก่อนถ้าไม่ชอบพุโทโธก็ใช้ร่างกายเฝ้าดูร่างกายดูการเคลื่อนไหวของร่างกายในทุกปีรยาบทให้ใจผูกให้ผูกอยู่กับร่างกายติดอยู่กับร่างกาย ตอนนี้ร่างกายกําลังเดินก็อยู่กับการเดินวิธีที่จะให้มีสติอยู่กับการเดินก็ให้ไปเดินในป่าะเดินในป่ามันมีงูมันมีอะไรมันจะไม่เดินแบบใจลอยมันจะคอยเดินดูที่เท้าเนะี่ยว่าจะไปเหยียบอะไรหรือเปล่าอนนี้ก็จะมีสติขึ้นมาเนี่ยพระคนที่ปฏิบัติได้ผลอย่าส่วนใหญ่จงต้องไปจะอยู่ในป่าในเขาอยู่ในที่มีภัยรอบด้านมันจะทําให้เราระมัดระวัง ไม่ใจลอยจะมีสติคอยควบคุมการกระทําของร่างกายจะอยู่กับการกระทําของร่างกายอย่างต่อเ น, นื่องถ้าเราอยากจะมีสติก็เฝ้าดูการกระทําของร่างกายไปในทุกิริยาบุตรในทุกการเคลื่อนไหวทุกการกระทําทําอะไรก็ให้รู้ว่ากําลังทําอะไรอยู่กําลังอับน้ําก็ให้อยู่กับการอับน้ําแต่งตัวก็อยู่กับการแต่งตัว รับประทานอาหารก็อยู่กับการรับประทานาาขับรถก็อยู่กับการขับรถอย่าไปอยู่ที่อื่นอย่าไปคิดถึงเรื่องที่ผ่านมาแล้วอย่าไปคิดถึงเรื่องที่ยังไม่เกิดขึ้นให้อยู่ในปัจจุบันถ้าใจอยู่ในปัจจุบันใจไม่คิดอะไรเวลานั่งสมาธิใจก็จะสงบสงบแล้วก็จะมีความสุขแล้วก็อยาอยากได้ความสุขแบบนี้ขอให้ใจสงบเพียงครั้งเดียวเราจะติดใจเราจะทิ้งสิ่งต่างๆได้ จะรู้ว่าไม่มีอะไรจะดีเท่ากับความสงบความสุขที่ได้จากความสมางบเห็นต้องไปปฏิบัติถึงจะได้ถ้าเพียงแต่ศึกษาอย่างเดียวยังไม่ปฏิบัติก็ยังจะไม่ได้แล้วการปฏิบัติก็ต้องปฏิบัติแบบถูกต้องต้องเจริญสติจริงๆต้องอย่าให้ใจไปคิดอะไรให้อยู่กับพุโทโธไปให้อยู่กับร่างกายไปแล้วจะได้ผลเร็ว ต้องพยายามทําอย่างต่อเนื่องทํำตั้งแต่ตื่นจนหลับเลยเนื่องการเจริญสตินี่เราสามารถทําควบคู่ไปกับภารกิจการงานได้เพียงแต่ว่าถ้าเป็นภารกิจการงานที่ต้องใช้ความคิดตอนนั้นเราก็ต้องหยุดพุดโทโธไว้ชั่วคราวแล้วก็ให้มีสติกับความคิดการงานไปแต่ถ้าเป็นงานที่ไม่ต้องคิดได้จะดีกว่าเป็น ง, งานของพระนี่ไม่ค่อยต้องคิดการงานปัดกว่า ถุสาลาล้างบาดเชน่นบาทตทำอะไรนี้ไม่ต้องใช้ความคิดมากมีสติได้ง่ายกว่าตั้งสติได้ดีกว่าหยุดความคิดได้ง่ายกว่าเห้นคนที่อยากจะได้สติมักจะไปบวชกันพราบวชแล้วมันไม่ต้องใช้ความคิดเหมือนกับการทํางานทางโลกทํางานทางโลกมันต้องคิดวางแผนคิดจัดการบริหารอะไรต่างๆเดี๋ยวก็สติก็แตกไปคิดไปแล้วเดี๋ยวก็ฟุ้งไปกับการงานการคิดไป นคนที่จะปฏิบัติธรรมจึงมักจะไม่ทำงานกันเพราะมันเป็นงานที่มันขัดกันทำงานทางโลกกับทำงานทางธรรมนี่มันจะขัดกันงานทางโลกนี้ต้องใช้ความคิดมากงานทางธรรมนี้ต้องการหยุดความคิดถ้าอยากจะได้ผลทางธรรมก็เลยต้องหยุดงานทางโลกไปถ้าทำทั้งสองอย่างมันก็จะปนกันมันก็จะเดินหน้าสองก้าวถอยหลังสองก้าว มันก็จะไม่คืบหน้าญาติโยมที่ปฏิบัติทำกันมาเป็นสิบสิบปีไม่ไปไหก็อยู่ที่เดิมเพราะมันทำงานสองอย่างที่มันขัดกันแต่คนบวชมาปฏิบัติเนี่ยบรรลุมรรคผลนิพพานกันหลวงปู่หลวงตาทั้งหลายนี่ท่านกลายเป็นพระสาวกันเพราะท่านทำงานอย่างเดียวทำงานทางธรรมอย่างเดียว ท่านคอยควบคุมความคิดหยุดความคิดแล้วก็พอหยุดได้ก็สอนให้คิดไปนทางปัญญาสอนให้คิดว่าทุกอย่างเป็นทุกข์เพราะมันไม่เที่ยงอย่าไปอยากได้ได้มาแล้วจะทุกข์เพราะมันจะหายมันจะหมดไปจะจากเราไปเวลามันจากเราไปแล้วเสียอกแล้วก็หาหาใหม่ก็หมดไปอีกแต่ถ้ามีปัญญารู้ว่าทุกอย่างเป็นอย่างนี้ก็ไม่เอาดีกว่าอยู่กับความสงบดีกว่า ก็ตัดความอยากทั้งหลายให้หมดไปได้แล้วก็สบายไม่มีความอยากจบงานปฏิบัติธรรมมีวันสิ้นสุดสิ้นสุดตรงที่ความอยากไม่มีแล้วความโลกความโกรธความหลงไม่มีแล้วเมื่อไม่มีแล้วก็จะไม่มีอะไรมาลบควรใจมาทาั้งสร้างความวุ่นวายให้กับใจใจก็จะอยู่อย่างสบายไปตลอดเป็นนิพพานไปนิพพานไม่ใช่เป็นสถานที่นะ เป็นสถานะของจิตจิต App, ที่ไม่มีความโลภความ โ, โกรธความหลงแม้แต่สวรรค์ชั้นต่างๆก็ไม่เป็นสถานที่นะมันเป็น ส, สถานภาคของจิตจิตที่มีความสุขแล้วก็เรียกว่าสวรรค์จิตที่มีความทุกข์แล้วก็เรียกว่านรกจิตที่มีความหิวแล้วก็เรียกว่าเปรตจิตที่มีความกลัวแล้วก็เรียกว่าสูนทรกายจิตที่มีร่างกายของเดรัจฉานแล้วก็เรียกเดรัจฉาน จิต ท, ที่มีร่างกายของมนุษย์เราก็เรียกว่ามนุษย์แต่ตัวจิตก็ไม่ได้ไปไหนก็อยู่ที่เดียวไม่ได้ไม่ได้ไปเปลี่ยนสถานที่เพราะจิตมันไม่มีรูปร่างเหมือนร่างกายมันเลยไม่ต้องมีสถานที่มันเพียงแต่เปลี่ยนสถานภาพในจิตไปถ้าทำจิตให้เย็นสงบก็เป็นสวรรค์ไปถ้าทำจิตให้ฟุ้งให้เครียดก็เป็นนรกไป เวลาโกรธเกลียดใครเครียดแค้นอาฆาตปยาบาตินี่มันเป็นนรกทั้งเป็นละตกนรกทั้งเป็นโดยไม่รู้สึกตัวขึ้นสวรรค์ทั้งเป็นเนี่ยวันนี้มาถอยพรุ่งนี้ถ้อยก็ถิ่นนิจใจมีความสุขก็ได้ขึ้นสวรรค์กัน แ, <c oughs> แต่สวรรค์เดียวเดียวเดี๋ยวความอยากโผล่มาก็ดึงไปนรกกันนี่ละดึงไปเครียดกับเรื่องราวต่างๆเอถ้าไม่อยากจะไปนรกก็ต้องตัดความอยากตัดความโลภ ความโลกความอยากนี่เป็นตัวที่ดึงให้เราไปนรกกันดึงให้เราไปเครียดไปทุกข์กันเห็นต้องเรื่อพระพุทธเจ้าแล้วไปปฏิบัติกันแต่ปฏิบัติก็ต้องสละความสุขที่มีอยู่ในขณะนี้ไปไปอยู่แบบแบบคนที่ไม่มีความสุขแต่มาสร้างความสุขแบบใหม่กันมาสร้างความสุขที่เกิดจากการปฏิบัติทำนั่งสมาธิทาใจให้สงบกัน อใจสงบแล้วก็จะมีความสุขแล้วจะเป็นความสุขที่ถาวรต่อไปงั้นพยายามศึกษาแล้วพยายามหาเวลาไปปฏิบัติตอนต้นก็เอาอาทิตย์ละวันก็ยังดีวันพระนี่เป็นวันปฏิบัติธรรมสมัยนี้วันพระมันไม่ตรงกับวันหยุดเราก็ต้องเอาวันหยุดเป็นวันพระแทนวันหยุดทํางานอันนี้จะเป็นวันพระจะไม่ไปทํากิจกรรมทางร่างกาย จะไปทํากิจกรรมทางใจจะไปถือศีลแปดกันถ้าไปวัดไม่ได้ก็ทําที่บ้านก็ได้ทําที่บ้านมันอาจจะยากถ้าอยู่กับคนอื่นคนอื่นเขาไม่ทำเดี๋ยวเขาก็มาทําให้สติเราแตกได้สีลขาดได้เดี๋ยวเขาก็เปิดทีวีดูเดี๋ยวเขาก็กินข้าวเย็นกันพอเราเห็นเดี๋ยวทนไม่ไหวก็ไปร่วมกับเขาแต่ถ้าไปอยู่วัดได้มันก็ไม่มีใครมาทําสิ่งเหล่านี้มันก็จะทําให้ รักษาศีลไง่ายนั่งสมาธิได้ง่า ย, าายแต่ต้องทําทําจากน้อยไปหามากก่อนพยายามเอาอาทิตย์ละวันก่อนแล้วพอได้วันนล้วอาจจะเพิ่มเป็นสองวันสามวันแล้วช่วงไหนมีวันหยุดยาวก็ไปปฏิบัติกันอยากไปเที่ยวกันเที่ยวไปแล้วมันก็หมดไปผ่านไปแล้วก็ไม่มีอะไรหลงเหลืออยู่ในใจนอกจากความอยากเที่ยวต่อแต่ถ้าไปปฏิบัติ ความอิ่มมันจะอยู่กับใจไปเรื่อยๆความสุขจะมีเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆแล้วจะทำให้เลิกการทำความทาความสุขแบบอื่นได้เมื่อได้พบได้รับความสุขใหม่ที่ดีกว่าก็จะมีกำลังใจที่จะปฏิบัติมากขึ้นแล้วต่อไปก็อาจจะไปบวชไปอยู่วัดอย่างท้าวรเลยก็ได้คนทุกที่อยู่วัดกันทุกวันนี้ก็เริ่มต้นเขาก็เริ่มต้นอาทิตย์ละวันนี้แหละไม่มีใคร อยู่วัดกันทันทีทันใดหรอกเพราะมันยากที่จะไปอยู่วัดได้ก็ต้องเฝืนกันบังคับใจกันวันหนึ่งสละความสุขทางร่างกายไปสักวันหนึ่งไปทําความสุขทางใจกันสักวันอาทิตย์ระวันก่อนพ อ, อได้ผลก็อาจจะเพิ่มถ้าเห็นว่าดีมีความสุขก็จะเพิ่มเป็นสองวันสามวันเราจะตัดภารกิจการงานให้น้อยลงถับต้องทํางาน ทุกวันก็อาจจะเปลี่ยนงานไปทํางานแบบอิสระเลือกเวลาทําได้ถ้าเราไม่เที่ยวเราไม่เราไม่ต้องใช้เงินมากที่เราใช้เงินมากไม่ใช่เพราะเพื่อเลี้ยงร่างกายนะแต่เพื่อเลี้ยงความอยากกันความอยากนี่มีเท่าไหร่ก็ไม่พอใช้หรอกแต่ถ้าใช้เลี้ยงร่างกายนี่มีไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่กี่บาทก็อยู่ได้แนละ้ะกินข้าววันละมื้อมันจะสักกี่ตันกะัน นะขอให้เราพยายามศึกษาและพยายามปฏิบัติกันแล้วชีวิตของเราจะมีความสุขมากขึ้นจะมีความทุกข์น้อยลงไปจนในที่สุดจะไม่มีความทุกข์เลยจะไม่มีการแกแก่เจ็บตาเลยเหมือนกับที่พระพุทธเจ้ า, ามีกันในขณะนี้เราก็จะมีได้เหมือนกันก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาลอนุโมทนาให้พร ยะท้าวเวกวาฮาปุลาริกบุเรนติสากหลังเอวเมวะอิโตทินางเตตานังอุปกปติอิชิตตังปฏิตางตุมหังก um ิปเมวะสนิจโต สัพเพปเรนตุสังกปาจันโทปนาระโสยทามนิจโตเระโสยทัสสะพิต e ิโยเววาจจันโตสัพพะโรโขวินัสสตุมาเตภวัตวันตารโยสุขีทีขายุโกภวะ ภาภีวาทนศสีฤทธะนิจังุทธาปจายโนยตาโรธรรมะวัทานติอายุวันนสุขังภาลาใครอยากจะถามอะไรก็ถามได้นะต่อไปจะเป็นช่วงถามตอบ ป, ปัญหากันใครต้องการจะกลับก็กลับได้ ถ้าอยากจะอยู่ฟังต่อก็อยู่ได้อันนี้ได้แผงพันกับฮะอันที่ได้แผงพันกับแล้วได้แผงเนียได้แผงพันได้แผงพันนะแต่ได้ใบเดียวได้ใบเดียวอยากได้หลายใบต้องไปปฏิบัติใบเดียวไม่พอหรอกมันต้องกว่าจะได้ล้านเนียมันต้องกี่ใบเนี่ยเอาไปเป็นทุนก่อน การครับการระ ง, ง, งับความโกรธนะครับผมว่าถ้าเกิดคิดคิดถึงนรกไว้เยอะๆจะดีไหมครับอาจารย์เมื่อคิดว่าโกรธปุ๊บเนี่ยนรกก็ตามมาควั่วบความโกรธเลยดีถ้าคิดได้แล้วหยุดได้ก็ดีมันก็จะหยุดเพราะมันก็จะควร น, นรกรแน่แต่ละคนก็อาจจะมีอุบายที่ไม่เหมือนกัน<ต>วิธีไหนที่ทําให้เราหยุดความโกรธได้ก็ดีแต่วิธีที่ดีที่สุดก็ต้องหยุดที่เหตุของความโกรธคือความอยากถ้าเราไม่อยากเราไม่โกรธ ที่เราโกรธเพราะเราอยากให้เขาทาอย่างนั้นเพราะเขาไม่ทําเราก็โกรธขึ้นมาใช่ไหมเราก็ปล่อยก็เสร็จก็อย่าทำอะไรนั่นก็เรื่องของเขาเราก็จะไม่โกรธจิตต้อมาเกิดเนี่ยแล้วก็คิดต่อไปนี้ อ, ตอ่ต่อไปนี้อย่าไปอยากอะไรใครจะทําอะไรเรื่องของเขาออย่าไปอยากอย่าไปขออะไรจากใครเราจะไม่โกรธออมตั้งได้เล ย, อยเอาวางเรอนนี้แล้วของไม่ต้อ ง, งไม่ต้องวางไว้บนผ้าเหมือนกัน ถ้าท่านต้องการหนังสือซีดีก็หยิบเอาทำเลยแปะแปได้ ไ, ไหมยังไงเียไปไหนค่ะทำ า, ง, ทา ง, งานที่จังค่ะแตกลับบ้านเสาอาทิตย์นะกลับเป็ น, นว เ, เชาว้าค่ะกลับเป็เช้า ความอยากเป็นต้นเหตุของความทุกข์ความโกรธความเกลียดอะไรต่างๆมาจากความอยากที่เราเกียดเขาเพราะเขาไม่ทำตามความอยากก็ทางบ้านก็ถ้ามีคำถามก็ทยอยเข้ามาได้ เป็นคลกไล้ยนะคะจากคุณจิคารัตน์ตอนนี้ทุกใจเหลือเกินมีคนค่าตัวตายที่บ้านเพราะป่วยและโรคซึมเศร้าแต่คนที่บ้านพูดกันว่าเป็นเพราะหนูเขาถึงค่าตัวตายสายตาทุกคนมองหนูเหมือนเป็นคนฆ่าสภาพจิตใจหนูแย่มากหนูควรทําอย่างไรไม่าไปสนใจถ้าเราทําให้คนตายได้เราก็เก่งเลย เห็ดใครก็ทำให้เขาตายได้จำนวนที่ไม่ต้องไปทาอะไรให้เขาค่าตัวตายได้เราก็เก่งเลยมันเป็นไปไม่ได้หรอกคนเขาอยากจะพูดอะไรก็พูดไปตามความรู้สึกนึกคิดของเขาเราก็รู้อยู่กัใจว่าเราไม่ได้ไปทำให้เขาตายซะหน่อยที่เขาค่าตัวตายเพราะเขาไม่สามารถใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขได้เมื่อก่อนเขาใช้ร่างกายไปหาความสุขได้จะคิดค่าตัวตายพอร่างกายเป็นอมภพอมภาะาเป็นอะไรไป ไม่สามารถหาความสุขได้ใจก็เครียดเลยเพราะความอยากมันเหมือนคนติดยาเสพติดแล้วไม่ได้เสพยาเนี่ยมันก็ลงแดงตายไปเท่านั้นเองดังนั้นความตายของเขาเกิดจากการที่เขาใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขกเอาซองไว้ในตรงนี้แล้วเอากระดาษมาไว้ตรงนี้วางนผ้าวางไว้นี่วางบนผ้าครัสาธุสาธุแต่ถ้าก็ปฏิบัติทำเป็นนั่งสมาธิเป็นเขาไม่ต้องฆ่าตัวตาย ครบาอาจารย์ที่ท่านปนามมาเพื่อกมภาพาหลวงปู่ชอบในท่านมีคนมาอุ้มท่านนั่งรถเข็นอุ้มท่านไปไหนมาไหนท่านแฮปปี้ตลอดเวลาท่านไม่เห็นเครียดกับอะไรเพราะท่านไม่ต้องใช้ร่างกายมาเป็นเครื่องมือหาความสุขให้กับท่านดังนะให้คิดให้เป็นนะคิดว่าหนึ่งคนที่เขาพูดอะไรนี่เราไปห้ามเขาไม่ได้ห้ามความคิดของเขาไม่ได้ห้ามการพูดเขาไม่ได้ จะจริงไม่จริงเราก็ต้องดูตามความเป็นจริงเมื่อเราไม่ได้ทําใครจะมาว่าเราทํามันก็ไม่เป็นมันไม่เป็นผลอ่ะเหมือนกับคนที่ก็มาเรียกเราควายอย่างเงี้ยเราเป็นคนมันจะเป็นควายได้ยังไงเรียกยังไงมันก็เป็นคนอยู่นั่นแหละเข้าใจไหมแต่เรากลับไปวุ่นวายกับคําพูดของเขาทํำไมพอเราชอบคำหวาหวานชอบคําโกหกถ้าบอกสวยนี่ยิ้มแป้นทั้งวันนะ งั้นเราต้องยืนบนความจริงดูความจริงเราเป็นคนเราไม่ได้เป็นควายขายเขาว่าเราเป็นควายแล้วก็กูเป็นคนไม่ได้เป็นควายไม่มีเขาเห็นไหมเนี่ยอก็เหมือนกันถ้าเราวิเศษถ้าให้คนฆ่าตัวตายได้ก็ดีต่อไปเรามีคนอยากจะฆ่าตัวตายเยอะแยะมาจ้างเราปิดบริการเลยคาถามจากคุณดานัย เคยได้ยินมาว่าบุญกรรมบาปกรรมใครทงใครได้แล้วเวลาที่คนเขาทำบุญและอุทิศส่วนกุศลให้คนนั้นคนนี้จะได้รับหรือไม่เพราะตอนมีชีวิตอยู่เขาไม่ทำบุญแล้วตายแล้วตายไปแล้วลูกหลาน แล้วลูกหลานที่รู้จักจัดทำบุญไปให้เขาจะได้รับไหมอันนี้เป็นบุญเป็นกรณีพิเศษแล้วก็เป็นบุญเพียงเล็กๆน้อยๆบุญจิบจอยพูดยังไงบุญหรือถ้าเป็นเงินก็เหมือนเงินให้ขอทานอันนี้แล้วคนที่รับก็ต้องเป็นขอทานถึงจะรับได้เป็นคนตายไปแล้วไม่เคยทำบุญเลยไม่มีบุญติดตัวไปก็เลยมาขอแบ่ง ขอรับส่วนบุญจากญาติพี่น้องที่ทําบุญส่งไปให้ก็จะได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองอย่างที่บุญเราทําเนี่ยเราส่งไปได้แค่บาทเดียวร้อยหนึ่งเราส่งไปได้บาทเดียวนี่คือเป็นบุญเป็นกรณีพิเศษแล้วก็ได้น้อยพอประทังชีพไปวันวันหนึ่งพอให้ไม่ไม่หิวโหวยเพราะว่าใจมีความอยากมันจะหิวโหวยแต่ผู้ที่ทําบุญนี้มันจะทําให้ความอยากมันเบา ทำให้ไม่หิวโหยสังเกตเวลาเรามาทําคนทําบุญเนั้นจะไม่ค่อยหิวโหยกับการที่จะไปเที่ยวไปซื้อของฟุ่มเฟือยอะไรต่างๆแต่คนที่ไม่ทําบุญนี่นจะหิวโหยกับการเที่ยวกับการซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆือพอตายไปความหิวโหยนี่ยังติดตัวไปกับใจเพราะไม่ได้ทําบุญเอาไว้ก็เลยต้องมาขอบุญของจากคนที่ทําบุญนี้ไประงับความหิวโหยนี้ก็ระงับได้เพียงเล็กๆน้อยๆพอพอยาไส้ไปพูดง่ายๆ พอไม่ให้ทรมานมากเกินไปท่า น, นั้นเองแล้วก็ไม่มีใครทำให้ทุกวันใช่ไหนอกจากว่าคนที่รักกันจริงคิดถึงกงันจริงๆก็อาจจะใส่บาส่งไปให้ทุกวันนีแต่ถ้าวันไหนเ็าไม่ส่งก็ก็ลำบากก็เป็นเหมือนขอทานอยู่ดีงั้นอย่าไปหวังพึ่งเงินพึ่งพึ่งบุญจากบุญอุทิศเพราะมันเป็นบุญเล็กๆน้อยนอยไม่มากมายเราสามารถเอาบุญ เป็นแบบเศรษฐีบุญไปไดนะ้ด้วยการทำบุญของเราอย่างต่อเนื่องเนะี่ยมีเงินเท่ามากน้อยทำไปเรื่อยๆแทนที่จะเอาไปเที่ยวไปซื้อของฟุ่มเฟือยกันเอามาทำบุญกันดีกว่าแล้วตายไปจะไม่ต้องมาเป็นขอทานขอบุญจากใครจะไปเป็นเทวดากันพวกเทวดานี้ถือว่าเป็นพวกที่มีบุญติดตัวไปพวกที่มีบาปติดตัวไปก็ไปเป็นเดรัจฉานไปเป็นเปรตเนี่ยไปตกนรก อย่างนัอย่าทำอย่าทำบาปแล้วก็ต้องทําบุญถ้าไม่ทําบาปแต่ไม่ได้ทําบุญก็จะกลับมาเป็นมนุษย์ไม่ได้ไปสวรรค์ไม่ได้ไปอบายเพราะบาปไม่มีบาปเป็นเหตุให้ไปอบายไม่มีบุญเป็นเหตุให้ไปสวรรค์ไม่มีก็เลยมาเป็นมนุษย์ต่อคําถามจากคุณพัราวรร หนูมีความว่างเป็นฐานของจิตหนูต้องพิจารณาอาการ32ไหมคะมีคนบอกหนูว่าระวังวิตลาสแต่ที่หนูเป็นคือความรู้สึกหนูคือทุกอย่างแค่ปกติของมันอย่างนั้นเองไม่มีคำ ว, ว่าบุญหรือบาปแต่หนูมีแต่คำว่าหน้าที่และสิ่งที่ควรทำหนูเหมือนคนไร้ความรู้สึกไม่รักไม่โลกมีโกรธบ้างนานๆครั้งแต่แวบเดียวก็หายเป็นความเฉยมากๆ คือทุกสิ่งทุกอย่างกลายเป็นคนไม่กระตือร้นพอใจในสิ่งที่ตนเองที่แต่คนรอบข้างไม่เข้าใจหรอกค่ะว่าถ้าหนูไม่มีสติก็คนบ้าดีๆนี่เองหนูรู้จิตคนรู้อดีตอนาคตแต่ของตนเองกลับเฉยๆไปเรื่อยพระอาจารย์ว่าหนูควรเดินต่ อ, อยังไงดีคะหนูก็ต้องพิจารณาเพื่อให้ปล่อยวางร่างกาย ปล่อยวางความเจ็บของร่างกายปล่อยวางความตายถ้าหนูยังกลัวความเจ็บยังกลัวความตายอยู่ก็ต้องก็ต้องพิจารณาว่าความเจ็บความตายนี้เป็นธรรมชาติที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่เราสามารถที่จ ะ, ะเผชิญมันได้อย่างไม่หวั่นไหวอย่างไม่ทุกข์ถ้าเราไม่ยึดไม่ติดกับร่างกายถ้าเราเห็นร่างกายที่ ของเรานี่ว่าไม่ใช่ตัวเราว่าเราเป็นจิตเราไม่ได้เป็นร่างกายเราเป็นเพียงผู้ที่ม า, าใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือเป็นเหมือนคนรับใช้เราเป็นนายร่างกายเป็นบ่าวร่างกายจะต้องจากเราไปวันหนึ่งจะต้องแก่จะต้องเจ็บจะต้องตายถ้าเรายังทุกข์กับการพัดภาาจากร่างกายไปก็แสดงว่าเรายังไม่มีปัญญา เราก็ต้องมาเจริญปัญญามาสอนใจให้รู้ความจริงของร่างกายว่าไม่ใช่ตัวเราของเราให้รู้ความจริงว่าร่างกายมันไม่เที่ยงมันจะต้องแก่จะต้องเจ็บจะต้องตายไปนี่คือสิ่งที่การพิจารณาเรื่องของร่างกายแล้วถ้าเราต้องการพิจารณาอาการสารสิสองก็เพื่อที่จะทำให้เราไม่ไปหลงรักใครที่เราหลงรักคนนั้นคนนี้เพราะเราเห็นรูปร่างหน้าตาของเขาว่าน่ารัก แต่เรามองเพียงด้านเดียวด้านที่เห็นด้วยตาเปล่าแต่ด้านที่ถูกปกปิดด้วยหนังด้วยเนื้อนี่เรามองไม่เห็นถ้าเราอยากจะถ้าเราเห็นด้านที่ถูกปกปิดเราจะเห็นว่าเขาไม่น่ารักเลยถ้าเราเห็นอาการสามสิบสองเห็นสิ่งที่ซ่อนอยู่ภายใต้ผิวหนังทงหน้าของเราเนี่ยข้างหลังหน้าเรานี่มีอะไรข้างหนังหนังที่มันหุ้มหน้าเราเนี่ยมันมีอะไรอยู่ มันก็มีกระโหลกศีรษะดีๆนี่แต่แเราลอมองไม่เห็นกันก็ไปหลงรักกระโหลกศีรษะกันใช่ไหมแต่พอตายขึ้นมาพอที่กระโหลกศีรษะนี่กลัวกันหวาดกกันแต่นอนกัน็มันดูก็มันมาตลอดเวลาเพ่งดูกระจกทุกวันก็ดูกระโหลกศีรษะเนี่ยแต่มองไม่เห็นเห็นแต่หนังที่หุ้มกระโหลกศีรษะเราก็เลยหลงรักทั้งตัวเราแล้รักหลงรักคนอื่นไปด้วย แต่ถ้าเราเห็นกระโหลกศีรษะที่อยู่ภายใต้ผิวหน้าเขานี่เราก็จะไม่หลงรักเขาหรือเห็นโครงกระดูกข้างล่างเนี้ยหรือเห็นบอดหัวใจตับไตลำไส้เนี่ยนี่เราไม่เห็นกันแต่เราสามารถเห็นได้ด้วยปัญญาด้วยการนึกด้วยการคิดอยู่เรื่อยๆตอนต้นก็ไปดูภาพของถ้าเราไม่เห็นภาพเราก็ไปดูภาพสมัยนี้ง่ายจะตายภาพถ่ายก็มีภาพวาดก็มี ของนักศึกษาแพทย์นี้หรืออยากจะดูของจริงก็ไปดูเขาผ่าศพกันก็ได้มีผ่าศพที่โรงพยาบาลกันเเขาไปขอดูได้เขาให้ดูถ้าอยากจะดูของจริงดูแล้ถ่ายภาพมาเนี่ยชอบถ่ายไอโฟนเซลฟี่กันเนี่ยเราไปเซลฟี่กับศพดูเขาเป็นอนาคตของเราเราเป็นอดีตของเขาไปเซลฟี่กันท่านไหนเอ่าเราจะได้นั่งเพ่งดูบ่อยๆเขากับเราไม่มีอะไรแตกต่างกันเลย แล้วต่อไปมันเห็นใครก็จะเห็นทั้งสามสิบสองอาการแล้วใครจะมาหลอกว่าเป็นดาราภาพยนต์ <c oughs> เป็นนางงามจากกวานนี่ก็หลอกเราไม่ได้ละหลอกได้แต่พวกที่หูหนวกตาบอดพวกที่มองแต่เห็นแต่ข้างนอกมองไม่เห็นข้างในแต่บอกปัญญานี่มันสว่างกว่าแสงสว่างเอกแสงสว่างี้แสงอาทิตย์มันยังไม่สามารถมองทะลุร่างกายได้ แต่แส ง, แ, งแสงสว่างแห่งปัญญานี่มันมองทะลุเข้าไปหมดเลยอาการสามสิบสองนี่มันอยู่ในใจเราแล้วะถ้าเราพิจารณาบ่อยๆมันจะอยู่ในใจเราเวลาเราเห็นด้วยตาเนื้อเราจะเห็นแต่ข้างนอกแต่พอเห็นด้วยปัญญามันจะทะลุเข้าไปข้างในเลยจะเห็นตับไตไส้พุงเห็นปอดเห็นโครงกระดูกเห็นอวัยวะต่างๆเอเห็นสิ่งปฏิกูเนี่ยอาหารใหม่อาหารเก่า ปัสวกปัสะวะอะไรมันอยู่ในร่างกายนี้หมดมีหมดทุกอย่างอันนี้จะเห็นได้ด้วยปัญญาปัญญาก็จะต้องพิจารณานึกอยู่บ่อยๆคิดอยู่บ่อยๆคิดจนไม่ลืมคิดจนจําได้ตลอดเวลาเมือเราท่องสูตรคู่นี้ท่องอย่างนั้มันจําได้เลยพอเห็นนะเห็นใครปับ๊บเห็นสามสิบสองไปเลยเห็นทะลุเข้าไปเลยแล้าเห็นทะลุแล้วมันไม่มีความความอยากที่จะไปรักไข่นี้ไม่มีแล้ว แล้วความอยากจะไปยึดติดก็ไม่มีถ้าเราเห็นความตายตลอดเวลาเห็นความแก่ความเจ็บความตายตลอดเวลาพอเห็นร่างกายใครเห็นตั้งแต่เกิดจนตายเลยเห็นตั้งแต่ตอนที่ออกมาจากท้องแม่การพิจารณาร่างกายถ้าชำนาญแล้วต่อไปมันจะเห็นตั้งแต่ต้นจนจนถึงปลายเลยเห็นตั้งแต่คลอดออกมาจนกระทั่งไปนอนอยู่ในโรงเนี่ยเหลือกายเป็นขี้เท่าขี้เถ่าขี้เท่าขี้ถานไปลอยอังคารกันเลยเนี่ยเราต้องพิจารณาแบบนี้เรื่องของร่างกาย ให้เห็นมันอย่างชัดเจนว่ามันจะต้องเป็นอะไรต่อไปและขณาดที่มันอยู่มันมันสวยจริงหรือไม่สวยจริงเนี่ยต้องให้เห็นทุกอย่างแล้วรับรองได้ว่าเราจะไม่มีความหลงยึดติดตับร่างกายของเราหรือร่งางกายของคนอื่นคนอื่นจะตายจะเป็นอะไรเราจะไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนกับเขาเพราะเราจะเห็นว่าเป็นเรื่องธรรมดาร่างกายของเราจะเป็นอะไรเราก็ไม่เดือดร้อนเพราะมันเป็นเรื่องธรรมดาห้ามไม่ได้เป็นธรรมชาติ ต้องพิ จ, จารณาถ้าจิตว่างเฉยๆแต่ยังแต่ยังไม่ปล่อยวางร่างกายก็ต้องพิจารณาว่ามันไม่เที่ยงถ้ายังยึดติดอยู่กับลาบยศสรรเสริญก็ต้องพิจารณาว่ามันไม่เที่ยงเหมือนกันลาบยศได้มาแล้วก็มีเสื่อมได้ได้เงินมาก็หมดได้ได้ยศมาก็หมดได้ได้สรรเสริญมาก็ตายได้เป็นนินทามะตายเป็นนินทาไปก็มี ได้ความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายกายเป็นความทุกข์ก็มีทุกข์จากคนที่เขาลักเราเนี่ยทุกข์จากคนที่เราลักเขาเนี่ยพอนเขาเปลี่ยนนิสัยไปจากอากดีกลายเป็นไม่ดีเราก็ทุกข์ละจากการเอาอกเอาใจกลายเป็นไม่เอาอกเอาใจเราเราก็ทุกข์ละเพราะมันไม่เที่ยงไลยไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนดังั้นอย่าไปหลงกับสิ่งเหล่านี้ถ้าหลงแล้วจะต้องทุกข์เวลาที่มันเปลี่ยนไปเวลาที่มันเสื่อมไป ถ้าเราติดอะไรเราต้องพิจารณาปล่อยวางไม่ไปยึดไปติดไม่ต้องไปอาศัยอะไรมาให้ความสุขกับเราถ้าเรามีความว่างมีความสงบนี้พอแล้วดีที่สุดแล้วลองไปพิจารณาดูนะ k e s t e n Formcheran on YouTube Live อาจารย์ I still can't understand why when we are reborn we need to start all over again If it is the same mind, that is b e b o r n as a child. No, the child is the body, it's not the mind. The mind doesn't start over. Whatever you have with you in previous life, you take along with you, like your like and dislike. If you like red color, you will continue to like red color. If you like to drink, you will continue to drink. If you like to smoke, you will continue to smoke. Whatever you did in your past life. You will continue on doing it. If you used to be right-handed, you will continue to be right-handed. If you used to be left-handed, you will continue to be left-handed. If you used to like women, you will continue to like women. If you like men, you will continue to like men. These are things you don't change. Your parents cannot tell you to change. Yeah. So there are things that you don't start over. The only thing you start over is your body. Because this is the the way it works, Now, the body one it has to start as a child and then grow up and then learn the new language. This is something you have to restart because in your previous life you might have been been an Indian, but your new life you may be a Chinese. So you have to learn to use the chopstick. As an Indian you m i g h t use your hand to eat, but as Chinese you have to use chopsticks. So these are things you have to be. You have to learn. But what you like, what you dislike, what you hate, this thing they come with you, they go with you. Your habit go with you. Your old habit go with you. That's why there is the saying. They say, "Old oh, habit die hard." i t s n o this is o s it? It's not easy. t h s t h i t s t h this, t t h s t h i t s t h s t t h s t h หนูโลภนะหนูโกรธนะหนูหลงนะไม่ต้องสอนอ่ะแต่ต้องมาคอยสอนว่าหนอนะอากกูอย่าโลภนะอย่าโกรธอย่าหลงน ะ, ะมันไม่ดีโอเค okay? you have to there are things that you can take with you and there are things you cannot t think, you cannot take your old body with you you cannot take your wife your husband your your friend your your son your daughter or your your possession with you นี่ all belong to this world you cannot take it with you what you take with you is your good habit or your bad habit คำถามจาทํา Facebook Live นะครับจากคุณวรัตยานะครับคำว่า mental absorption หมายความถึงความสงบระดับไหนบ้างเจ้าคะก็มีหลายระดับเองแต่คำว่า mental absorption นี้ก็แปลมาจากคำว่าฌาน ฌานนี้ก็มีแปดแปดระดับด้วยกันมีแบ่งเป็นสองส่วนรูปฌานกับรูปฌานรูปฌานก็มีสี่รูปฌา น, 4, านที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่แล้วลึกเข้าไปกันนั้นก็เรียกว่าอารูปฌานก็มีอีกสี่แล้วยังมีอีกชั้นหนึ่งเรียกว่าสัญญาเวดิตะนิโรธนิโรธสมาบัติคือความสงบของจิตมันมีหลายระดับ สงบเท่ละเล็กเทียน้อยก็ระดับหนึ่งเหมือนเกียร์รถยนต์ที่เราขับเนี่ยเวลาเข้าเกียร์หนึ่งมันก็วิ่งได้ประมาณสามสิบสี่สิบโลก็ต้องเปลี่ยนเกียร์สองมันถึงจะวิ่งได้เร็วขึ้นก็ต้องเปลี่ยนเกียร์ไปเรื่อยๆจิตมันก็จะสงบมากขึ้นมากขึ้นตอนถ้าเข้าฌานแรกมันก็มีอยู่่ะคุณสมบัติอยู่ห้าประการมัมีวิตกมีวิจารมีปิติมีสุขมีอะไรกันจําไม่ได้แล้วมีสี่เนี่ย แล้วพอนั่งเพ่งต่อไปเดี๋ยววิตกวิจารก็หายไปเหลือแต่ปิติกับสุขแล้วเพ่งต่อไปปิติก็หายไปแล้วเพ่งต่อไปถึงฌานสี่สุขก็หายไปเหลือแต่อุเบกขาอันนี้ก็เรียกว่าฌานชั้นต่างๆเวลาเราเพ่งพุโทโธพุโทโธแล้อดูลมเนี่ยมันจะทำให้จิตค่อยๆละเอียดเข้าไปสงบมากขึ้นไปเรื่อยๆจนในที่สุดมันก็จะเหลือแต่อุเบกขาอันนี้ก็จะได้รูปฌานสี่ ที่เราพูดถึงเวลาจิตรวมเนี่เราหมายถึงฌานสี่รูปฌานที่เรียกว่าอัปปนาสมาธิก็คือสงบแล้วรวมแล้วตั้งอยู่ได้นานอยู่ได้นานหมายถึงไม่หลายนาทีขึ้นไปถ้าก็าไปปั๊บอยู่ได้ประมาณแป๊บเดียวแล้วถอนออกมาเรียกว่าคณิกะสมาธิเพราะใหม่ๆกำลังสติยังมีน้อยดันเข้าไปได้ปุ๊บเดี๋ยวกิเลสมันก็ดันออก กิเลสมันจะคอยดันใจให้ออกไปหารูปเสียงกลิ่นรสเราใช้สติดึงใจให้เข้าไปหาความสงบหาอุเบกขางั้นถ้าถ้าถ้าสติมีกำลังมากมันก็จะอยู่ในอุเบกขาได้นานแล้วถ้าอยากจะลงไปลึกกว่ารูปฌปานก็ให้เพ่งต่อไปมันก็จะลงลึกเข้าไปสู่อรูปฌานแต่ในการปฏิบัติธรรมเพื่อเพื่อเพื่อให้ไปเจริญปัญญาต่อ น, นี้ไม่ต้องไปถึงขั้นอรูปฌาน องค์เจ้าบอกแค่ขั้นรูปประชานสีก็พอปั้นอัปปนาสมาธิก็พอมีกําลังพอที่จะเอาไปใช้ในการต่อสู้กับความอยากต่างๆได้พี่วรัตยาเขาแจ้งมาครับว่าเขาทําตามที่พระอาจารย์แนะนําตอนนี้เขานั่งสมาธิทีละหกชั่วโมงตาที่พระอาจารย์แนะนำก็ดีพยายามทําไปเรื่อยๆนี่การเข้าฌานนี่บางทีมันเข้าแบบพวดพลาดมันอยาก ชาติหนึ่งไปชาติสี่แบบตกลุมตกบ่อก็ได้นะมันไม่แน่บางทีก็ค่อยๆลงไปทีละเล็กทีละน้อยทีละกึกทีละกึกลงไปบางทีสงบกึกหนึ่งแล้วเดี๋ยวก็สงบอีกกึกนึงอี ก, กึกหนึงบางทีมันก็มันก็ลงแบบตกนุมตกบ่อไปเลยแล้วแต่อันนี้เราไปไปบังคับมันไม่ได้มันแล้วแต่จิตมันแต่ละคนมันไม่เหมือนกันขอให้มีสติอย่างเดียวเท่านั้นนะแล้วมันถ้าไปถึงกับปานาได้ถ้าไม่ไปคิดปรุงแต่งอยุดความคิดปรุงแต่งได้ คำถามจากคุณนุนะครับทําไมท่านพระอาจารย์มักชักจูงให้คนล้มเลิกการปรารถนาพุทธภูมิไม่ใช่ฉักจูงมันเรื่องของคนโง่นะท่ะไปพุทธภูมิทําไมตอนนี้มีทางไปแล้วจะไปหาทางเองทําไมโง่รสฉลาดใช่ไหมมีรถให้ขึ้นนั่งแล้วจะเดินไปจะเอาไงเนี่ยขับรถไปมีคนหนึ่งผมจะเดินไปถึงกรุงเทพเนะีผมไม่รถรับคุณไปคุณไม่ไปเลยผมไม่ไปผมจะเดินไป แล้วมันมันได้แล้วมันก็ไปถึงกรุงเทพเหมือนกันได้แต่ความเหนื่อยดีไม่ดีเหนื่อยไปไม่ไหวอาจจะแวะแค่บางแสนแล้วไม่ไปแล้วก็ได้มันจะเสียเวล า, ไปไปไปปาแบบเปล่าทนั้นเองแต่อยากจะไปพุทธภูมิก็ไปเลยไม่ได้ห้ามไปเลยพุทธภูมินี่มันเป็นอุบายของกิเลสต่างหาที่จะไม่ให้เราไปภาวนาให้เราไปทําบุญอย่างเดียวเนะพราะพวกมุงพุทธภูมินี้ต้องเจริญเมตตาต้องเจริญทานบารามีกัน ต้องช่วยเหลือคนอื่นช่วยทํานู่นทํานี่ให้กับเขาตัวเองก็เลยไม่มีเวลาไปภาวนาตายไปก็ยังไม่ได้ไปนิพพานก็กลับมาบําเพ็ญบารมีต่อไปไม่รู้กี่ล้านชาติจนกว่าจะได้พุทธภูมิด้วยตนเองอยากจะไปท่านนั้นก็ไปคนที่ก็ไปพุทธภูมิเพราะมันไม่มีคนสอนไม่มีทางไปไม่มีใครบอกทางอย่างพระพุทธเจ้านี้สมัยที่ท่านบําเพ็ญไม่มีพระพุทธเจ้าไม่มีคําสอนองของพระพุทธเจ้าองค์อื่น องค์ก่อนหายไปหมดแล้วถามใครก็ไม่มีใครรู้พระพุทธเจ้าก็ไปศึกษากับครูบาอาจารย์ต่างๆแต่เขาสอนได้แค่ขั้นแค่ขั้นฌานเท่านั้นเองขั้นสมาธิไม่มีใครรู้ขั้นวิปัสสนากันไม่มีใครรู้อริยสัจสี่กันท่านก็เลยต้องค้นคว้าหาด้วยตัวเองเพราะท่านอยากจะดุดพ้นเมื่อไม่มีใครสอนก็ต้องท้องต้องต้อ ง, ต, องต้องค้นด้วยตัวเองลองผิดลองถูกเนี่ยก็ถึง ต้องอดข้าวตั้งสี่สิบเก้าวันเนี่ยเพราะไม่มีใครบอกว่าอันนี้ไม่ใช่ทางคิดว่ากิเลสอยู่ในร่างกายฉะนั้นจะฆ่ากิเลสก็ต้องไม่กินข้าวใช่ไหอนี้ไม่กินข้าวจะตายแล้วกิเลสมันก็ยังอยู่เหมือนเดิมความโลภความอยากก็ยังมีเหมือนเดิมท่านก็บอกวหามันไม่ได้อยู่ที่ร่างกายแล้วเนะี่ยเพราะร่างกายมันอีกวันก็ตายแล้วนะแต่กิเลสมันยังไม่มีอ่อนกําลังลงเลยเหมือนเหมือนเดิม ก็ <c oughs> รู้ว่ามันไม่ได้อ่ที่ร่างกายมันอยู่ที่ใจก็เราย้อนกลับมาฆ่ากิเลสที่ใจโดยการทําสมาธิเสร็จแล้วก็ใช้ปัญญาพิจารณาว่าเวลาเราทุกข์ทุกข์เพราะอะไรก็ทุกข์เพราะกิเลสนี่ก็เลยหยุดกิเลสได้ดับความทุกข์ได้หยุดการเวียนว่ายตายเกิดได้เพราะความอยากมันจะพาเราไปเกิดต่อพอไม่มีร่างกายนี้ยังอยากใช้ร่างกายอยู่ก็ไปหาร่างกายอันใหม่ก็ต้องไปเกิดใหม่ อันนี้ต้องคนคว้าเองมันยากกว่าเยอะแต่มันไม่มีทางมันไม่มีทางเลือกกันยังไงสาหรับพวกท่านเจ้าไม่มีทางเลือกแต่สําหรับพวกเรานี้มีทางเลือกแล้วมีคนขับรถเก๋งรถเบนซ์มารับให้ขึ้นนั่งสบายไปถึงกรุงเทพไม่ไปกันอู๋จะขอเดินอย่างเดียวไปเลยพี่อยากจะเดินก็เดินไปรู้จะว่ายัางไงพูดได้เหตุด้วยผลยิงหาว่าเราอยากจะไม่ถือพุทธภูมิอีก ถ้ามันถึงที่เดียวกันถึงนิพพานเหมือนกันมันไม่ได้ต่างกันเพียงแต่ทางสมมติคือมันฟังแล้วมันไม่บรรทุกเป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้ฮะเป็นสาวล็อกนี่เหมือนเป็นเหมือนลูกน้อง <c oughs> เป็นพระพุทธเจ้านี่เป็นเจ้านายมันนี่มันนั้นกับกิเลสดิค่ะติดยึดติดในอัตตาตัวตนเราต้องใหญ่เราต้องยิ่งใหญ่กว่าคนอื่นเี่ต้องเป็นพระพุทธเจ้าเท่านั้นอันนี้ก็เป็นเป็นเครื่องมือของกิเลสไปละ คำถามจากคุณกัณฑพันะครับมีคนเคยบอกว่าหากถวายอัตถบริขารแด่พระสงฆ์จะส่งผลให้ผู้ถวายได้มีโอกาสบวชในพระพุทธศาสนาในชาติต่อไปจริงหรือไม่คะไม่จริงหรอกาการจะบวชต่อไปก็ต้องสนใจปฏิบัติธรรมนั้นนั่นสนใจถือศีลแปยถึงจะไปบวชได้คนที่บวชกันส่วนใหญ่นี่เขามีความสงบกันเขาได้พบความสุขที่เกิดจากความสงบกัน แล้วเขาเห็นว่าความสุขที่ได้จากการเป็นคารว่นี้มันวุ่นวายหนอไปบวช ด, ดีกว่าเขาก็จะไปบวชกันอย่นถ้าอยากจะบวชไปนั่งสมาธิดีกว่าไปฝึกนั่งสมาธิไปรักษาสิลนแปดแล้วไม่ต้องรอชาติหน้าชาตินี้ได้บวชนแน่ๆ <c oughs> <c oughs> ไปรอชาติหน่าไอ้พวกนี้ชอบชอบชอบโยนไปเรียนตอนนี้ขอไปกับกิเลสก่อนถ้าถ้าเขาเป็นผู้หญิ ง, งเขาประจานบวชไม่ได้ <c oughs> ก็บวชคำว่าบวชไม่ไหนความก็ต้องต้องบวชพระบวชชีไหนบวชที่ใจฮะถรือศีลแปดนี่ก็เป็นบวชแล้วเป็นนักบวชแล้วคําถามจากคุณบีนะครับถ้าสวรรค์นิพพานไม่มีสถานที่แปลว่าวิมานก็ไม่มีเหรอคะหมายควาว่าวิมานมัาจากไหนนะคำวิมานนี่เป็นภาษาที่เราใช้หมายถึงที่อยู่อาศัยใช่ไหมอ่า ชั้นอะไรย่งก็แน่ใจเราไงความสุขมากขึ้นขึ้นชั้นสูงขึ้นไปเรื่อยๆไงก็เทวดาก็เรานี่แหละเป็นเทวดาแหละใจที่เราอยู่สวรรค์นี่ก็เป็นเทวดาใจก็เราก็เรียกใจเป็นเทวดาอยู่ในสวรรค์ชั้นนั้นชั้นนี้ก็คือมีความสุขในใจระดับนั้นระดับนี้ระดับห้าดาวแบบอยู่โรงแรมห้าดาวเนี้ตัดโรงแรมสี่ดาวเท้าเท้าศักะเท้าอะไรอย่เงอนั่นแหละอ่ก็ใจดวงเดียวนี่แหละ อ่าไม่ใช่ครับผมไม่รู้จะว่ า, างไงแล้ <c oughs> เ, เ, เห็นพระพุทธเจ้าท่านท่านพูดว่าว่ามีเทวดาท่านนั้นอยู่ท่านท่านานั้นอยู่ก <c oughs> ็นั่นแหละชั้นนั่นก็อยู่ชั้นในใจเขาไงก็อย่างนี้ใจเขามีหลายชั้นความสุขในใจของเราเนี่มีหลายชั้นชั้นห้าชั้นระดับโรงแรมห้าดาวก็มีสี่ดาวก็มีสามดาวก็มีสองดาวก็มีหนึ่งดาวก็มี อ่าเวลาคุณทําบุญร้อยบาทกับคุณทําบุญแสนหนึ่งเนี่ยความสุขกันไหนจะมากกว่ากันเ น, เนีพอทําแสนหนึ่งความสุขมันขึ้นไประดับชั้นสูงกว่า ล, วะละอาจารยนะอมั น, ม, น, ใ น, ในมันอยู่ในใจเรานี่แหละใจเรานี่มันเหมือนคอนโดเราขึ้นลงขึ้นลงใน ใ, นใจเรานี่แหละถ้า ท, าทําบุญมันก็ขึ้นสูงขึ้นไปเรื่อยๆสูงมากความสุขมากขึ้นไปเรื่อยๆถ้าทําบาปความสุขก็น้อยลงความทุกข์ก็ามขขากขึ้นลงไปเรื่อยๆมันอยู่ในใจเรามันไม่ได้เป็นสถานที่เพราะเทวดา เรา ไ, ไม่มีหรอกเขาไปเขาไปเขียนมาวาดมาให้เราเห็นท่านเอง <c oughs> ไอแบบเต่ที่มีหายาวหรือมีเที่ยวมีอะไรไม่มีหรอกเขยาย้าใหม่ไหอันนี้มันเป็นเรื่องขอ ง, ของเขาเรียกสมมุติสมมุติมมตวาดภาพให้เราเห็นท่านเองก็ฟังธรรมเงนก็เขาก็เขาก็มาฟังด้วยจิตของเขาเหมือนเร <c oughs> านี่ยเราก็มาฟังด้วยจิตของเราเอแต่ไม่มีรูปร่างไม่มีรูปร่างหรอก อ่นนี้พยาวสัตวสัพดีที่ว่าเป็นพยามาลที่ไปรบกับพวกพุทธเจ้าตอนที่พวกพุทธเจ้าท่นานจะตัดสรุป อ, อ, อันนี้ก็คืออยู่ในจออในจพุท ธ, ธเจ้าเองแล้ก็มันมีอยู่ในใจเขากิเลสสมมานี่แหละตัวตัณหาความอยากเนี่ยสามตัวนี้มันก็จะผ่ขึ้นมานี้เราเรามันชินกับการเห็นภาพว่าเป็นคนมีรูปมีร่างเขาก็เลยต้องวาดรูปวาดล่างให้เราเห็นเหมือนกับเราสอนเด็กงั้นต้องวาดรูปการ์ตูนใช่ไหม ถ้าไปสอนบอกไอ้ติมเขียนอธิบายว่าไอ้ติ ม, เ ป, มเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มันดูไม่ออกอะ่ะแต่ถ้าวาดภาพบอกว่าไอ้ติมเป็นรูปอย่างนี้อ๋อเข้าใจแล้วแ ต, แต่มี ม, มีมีภาพอยู่อันนี้ต้องขออธิบายคือคนที่มีฌานคนที่มีสมาธิมีพลังจิตที่จะติดต่อกับกจติตดวงอื่นได้เนี่ยเวลาติดต่อกันเขาจะมีภาพเห็นหน้ากันได้อันนี้จะยกตัวอย่างที่มีอยู่ใน หนังสือที่หลวงตาเขียนหนองสะมีแม่ชีคนหนึ่งชื่อคุณแม่ชีแก้วเนี่ยท่านนั่งสมาธิแล้วท่านจะติดต่อกับดวงวิญญาณได้ผู้ที่ตายไปแล้วเนี่ยจะมาหาท่านในในในสมาธิจะมาเป็นรูปร่างแต่เวลาตายไปนี่เขาตายก็เป็นหมูป่าตายไปอย่างเงี้ยแต่เวลามาหาเขามาหาแม่ชีเป็นรูปร่างของคนผู้ชายธรรมดาแต่งตัวเรียบร้อยเป็นเหมือนอุบาสกเอง เขาก็มาเล่าว่าเขาเพิ่งตายจากการเป็นเป็นหมูป่ามาถูกพรานเขายักยิงตายไปแล้วพรุ่งนี้พานเขาจะคงยาวเนื้อหมูป่านี้มาถวายแม่ชีก็อยากจะให้แม่ชีรับเขาขอได้บุญส่วนนี้ถ้าแม่ชีรับเขาจะขอถวายเป็นทานเพื่อเขาจะได้ไปต่อที่ดีมีบุญติดตัวไปอันนี้เขาก็มาแบบมีรูปร่างให้เห็น หรือหลวงปู่มัน่นคืนที่หลวงปู่มั่นตายไปแม่ชีนี้ท่านก็รู้ก่อนคนอื่นคนในบู่ม่านนี้ไม่รู้เพราะอยู่เป็นคนละที่อยู่คนละอำเภอหลวงปู่มั่นท่านตายอยู่ที่ในอำเภอเมืองแม่ชีอยู่นะอีกอำเภอหนึง่งแล้วแม่ชีก็กะจะไปกราบหลวงปู่วันในวันลุกขึ้นพอดีแต่คืนนั้นขณะที่นั่งสมาธิหลวงปู่มั่นก็เพิ่งตายไปแล้วหลวงปู่มั่นก็เข้ามาในสมาธิบอกเธอไม่ต้องไปหาเราหรอกเราตายแล้ว ร่างกาก็เจอเจอแต่อะแต่ร่างกายของเราไม่เจอตัวเราแล้วเพราะเราไม่ได้อยู่ที่ร่างกายแล้วเราตายนะแม้ขีกลายรู้ล่วงหน้าก่อนคนอื่นอันนี้อันนี้เราก็ไม่รู้ว่าแกเห็นหน้าตาของหลวงปู่รูป้ป่ะเวลาในะอยู่ในสมาธิซึ่งเราคิดว่าเห็นเพราะว่าเราในสมาธินี้จิตเราสามารถที่จะเรเรียกอะไรนะสร้างภาพขึ้นมาได้ในเวลานอนหลับตาเราฝันนี่เราเห็นอะไรที่ดึงตาไม่เห็นใช่ไหม แต่เรากลับเห็นเวลาหลับตาเราหลับตาเนี่ยเราเห็นได้ยังไงอ่ะก็เห็นจากจิตของเราเนี่นะจิตของเราเป็นตัวสร้างภาพต่างๆให้เราเห็นเรานึกถึงขนมมันก็โผล่ขึ้นมาเรานึกถึงแฟนแฟนแฟ น, แฟนมันก็โผล่ขึ้นมาเป็นภาพขึ้นมาให้เราเห็นอาศัยภาพที่เกิดจากความจําของเราในอดีตพออยาเข้าใจยังอ่าอ่าเมื่อกี้ตอบคาถามแล้วใช่ไหมที่เรื่องวิมานอะไรเนี้ยตอบนะครับอ่า คำถามเจ้าคุณชยากรนะครับเมื่อปฏิบัติถึงระดับฌานสมาธินิ่งแบบมีสติแล้วการที่จะข้ามไปถึงอีกขั้นของฌานสมาธิต้องปฏิบัติเช่นไรก็เพ่งต่อไปไเพ่งต่อไปอ่าเช่นถ้าเป็นเป็นอรูปฌานเขาก็มีบอกให้เพ่งว่าเป็นจิตเป็นเหมือนอวกาศไม่มีอะไรก็เพ่งอยู่กับอวอวกาศไปเพ่งกับความว่างไป แล้วลึกเข้าไปให้เพ่งวิญญาณไปมันมีหลายขั้นต้องไปอ่านในหนังสือก่อนจะบอกแต่มันสําหรับการปฏิบัติเพื่อวิปัสสนานไม่ต้องไปถึงขั้นอรูปฌานั้นถึงแค่ฌานสี่ก็พอได้อัปปนาสมาธิได้อุเบกขาเราต้องการอุเบกขาเพรอุเบกขานี้จะสู้กับกิเลสได้แต่เรามีอุเบกขาจะเฉยกายด่าก็เฉยกายจะชมก็เฉยกายจะเอาเพชรมาให้ดูก็เฉย ใครจะเอาภาพสวยๆ ร, รูปหลอ่อรูปสวยมาดูก็เฉยมันจะไม่มีอารมณ์ถ้าใจมันมีอยเบิกขาคำถามจะคุณแค่หลับตาถ้าไม่ละ ก, กิเลสแล้วฝึกสมาธิจะได้ผลไหมครับคือมันเรื่องของการละ ก, กิเลสมันต้องละด้วยการมีสมาธิก่อนถ้าไม่มีสมาธิก็ละไม่ได้แต่ถ้านั่งสมาธิเพื่อไม่ละ ก, กิเลส มันก็มันก็ไม่ได้อะไรเพราะว่าเดี๋ยวมันก็จะมาลบล้างผลที่เราได้จากสมาธิไปหมดพอจากสมาธิมากิเลสมันก็ชวนเราไปเที่ยวชวนเราไปกินไปดืม่มสมาธิก็หายไปแล้วถ้าเที่ยวบ่อยๆมากๆก็กลับมานั่งไม่ได้อยู่ดีคําถามจากักุลพัชรานะครับน้ำปานะทำจากอะไรได้บ้างคะผักได้ไหมคะผ ล, ละไม้ผลเล็ ก, กกว่ากำปั้น เวกาสหรือน้ำเต้าหู้ทำเองถวายได้ไหมคะไม่ได้มันต้องเป็ น, ปนผลไม้อย่างเดียวแล้วผลไมต้ต้องเป็นผลไม้ชนิดที่ไม่ใหญ่กว่ากำปั้นถ้าเป็นพวกมะพร้าวเป็นสับประรดพวกแตงโมนี้ไม่ได้ แมาจะเป็นตังโมรูปอะไก็ไม่ควรเพราะเราถือมาตรฐานของแล้วเวลาเวลาคั้นน้ําของมันก็ต้องไม่ให้มีกาดไม่ให้มีเนื้อติดต้องกองเนื้อกองกาดทิ้งไปเอาแต่น้ํำล้วนๆเพราะถ้าไม่ต้องการให้กินอิ่มกันไงกินเพื่อบรรเทาความโห ย, ยหน่อยนัย่นเองกินเป็นยาแต่เรามักจะกินเป็นยาแก้ความหิวกันมากกว่าออ เอนจริงไม่ต้องจริงก็ได้หรอกน้านะําปาเนี่ยถ้าเป็นคนปฏิบัติธรรมกันจริงจกินข้าวมื้อเดียวเสร็จก็จบนอกนั้นก็กินแต่น้ําเปลา่าถ้าที่เขาไปทุดงในป่านี่ไม่มีน้ําปลานกปลาหน้าก็หรอกอย่างมากก็ต้มน้ำร้อนต้มต้มตมแก่นไม้เป็นกินเป็นยาไปท่านเองคำถามจะกคุณพิไลพรถ้าฝากเขาไปทําบุญและโอนเงินเข้าบัญชี ทำบุญจะได้บุญมากน้อยต่างกับเราไปทําเองไหมคะไม่ต่างกันอ่ะมันอยู่ที่ปริมาณเงินที่เราบริจาคไปอาจจะต่างแค่หเปอร์เซ็นมั้งถ้าเราไปเองเราอาจจะได้อีกหนึ่งเปอร์เซ็นจากการที่เรามีความเพียรที่จะไปแล้วได้อีกอย่างก็คือได้ของแถมกลับมาไปเองเาอาจจะได้ไปฟังเทศฟังธรรมไปเห็นเหตุการณ์ที่อาจจะทําให้เกิดมีมีความปิติเห็นอะไรสิ่งที่ดีที่งามก็ได้ แต่ถ้าไม่ไปก็จะไม่ได้เห็นไม่ได้ฟังเทศฟังธรรมคำาถามจะคุณเพนพันมีวิธีแก้ความเบื่อหน่ายหรือให้ท่องพุโทโธดีคะนั่นแหละท่องพุโทโธไปเลยพอจิตสงบแล้วความเบื่อหน่ายจะหายไปความเบื่อหน่ายเกิดจากความอยากได้ของใหม่ๆพอเจอของเก่าๆจําเจก็เบื่อใช่ไหมใหม่ๆหน้าตาจุม๋มจิ๋มของเก่าก็เป็นสนิมเล <c oughs> ต้องไปเปลี่ยนใหม่เรื่อยต้องไปเปลี่ยนของใหม่เรื่อยๆแต่ที่ของเก่าก็มันเบื่อนี่คือนิสัยของความอยากมันจะเป็นอย่างนี้มันจะเบื่อของเก่าอยากจะได้ของใหม่วิธีแก่ก็คือทําใจให้สงบใจสงบแล้วความเบื่อความอยากก็จะหายไปจำชื่ออีกท่านไม่ได้นะครับแต่ว่ากำลังหาข้อความอยู่ก็อบอกว่ า, าวิธีสู้กับความโกรธจากคําพูดของผู้อื่นครับอาจารย์ ก็อย่าไปอยากให้เข า, พ, างงพูดอย่างนั้นพูดอย่างนี้ปล่อยเขาพูดตามอัธยาศัยไปฟังไปเหมือนเสียงหมาเห่าก็แล้วกันหมาเห่าเราไปสั่งให้มันหยุดก็ไม่ได้ห้ามมันก็ไม่ได้มันอยากจะเห่าก็ปล่อยมันเห่าไปให้คิดอย่างนี้ก็ได้ว่าดีแล้วเขาเพียงแต่เพียง <im it> แต่พูดเขาไม่ตีเราก็ดีแล้วปล่อยเ็าพูดไปปล่อยเขาด่าไป ข้าวนามา อ, าอีกพันหนึ่งนะคาถามจากบุณสุรีนะครับสวดมนต์นั่งสมาธิแล้วจําเป็นต้องแผ่เมตตาทุกครั้งไหมคะไม่แผ่เมตตาต้องแผ่ตอนที่เจอคนตอนที่อยู่คนเดียวไปแผ่ให้ใครเร่ะแผ่เมตตาหมายถึงเวลาเจอใครยิ้มให้เขาเนี่ยแผ่เมตตาแล้วไม่ใช่เจอกันก็หน่าเบื้องตึงใส่กัน แค่เราแผ่เมตตาที่เราส่วนนี้เป็นการสอนใจเตือนใจว่าเราต้องแผ่เมตตาเวลาเราเจอคนเจอกันอย่าหน้าเบื้องตึงใส่กันให้รักกันให้มีความปรารถนาดีต่อกันมีอะไรก็แบ่งปันกันฮะนี่เรียกว่าแผ่เมตตาแต่เราต้องสวดต้องสอนเราก่อนไม่งั้นเดี๋ยวเราจะลืมความนิสัยเราถ้าไม่สอนมันจะไม่ชอบแผ่เมตตามันชอบยากเคี้ยวใส่กันเอ เห็้งสอนอยู่ที้เราเวลาใส่บาทเรามักจะสอนเด็กยิ้มหน่อยสิหนูยิ้มหน่อยยิ้มแล้วหนูจะมีความสุขะมีเด็กคนหนึ่งมันเบื้งมานงงนานตอนนี้มันเริ่มยิ้มแล้วการยิ้มให้การก็แสดงเราแผ่เมตตาเพราะแสดงว่าเรามีไมตรีจิตนะ้ยคนที่หน้าเบื้องเฉยๆนี่เขาไม่รู้ว่าไอ้คนนี้เป็นมิตรหรือเป็นศัตรูกันแน่วะใช่ไหมแต่พอยิ้มปับ๊บรู้แล้วเขาเขาเป็นมิตรกับเรา คำถามจะคุณประมวลนะครับวันนั้นไปนอนที่กุฏิที่พระจัดให้พอดีในกุฏินั้นมีรูปคนตายอยู่สามคนก็ได้เสดมจมลนั่งสมาธิแต่มีความรู้สึกเหมือนมีคนนั่งอยู่ตรงหน้าค่ะเป็นอะไรคะแต่ไม่กลัวแถมไม่ตาให้เป็นอุปทานไงรูปก็ไม่ใช่รูปคนตายรูปคนเป็นใช่ไหมก็ต่ายคนเป็นใหเดี๋ยวเราไปคิดว่าเขาตายแล้วเนี่ย คามจรงก็เป็นรูปคนเป็นทั้งนั้นเขาถ่ายรูปคนตายมาให้ดูแล้วป่าเราไปอุปทานคิดเองพอความนี่เป็นคนตายปั๊บเนเจ็บมันก็คิวเป็นผีขึ้นมานะแต่เวลาเรามองหน้าแฟนเราทํำไมไม่ได้กลองเป็นผีมั่งอ่ะเดี๋ยวเขก็ต้องตายเหมือนกันตอนเขาตายแล้วยังอยากจะเก็บเขาไว้ในบ้านเขาเปล่าคำถามจากคุณสิริวัล น, นะครับยายอายุเก้าสิบหก อยู่กับนาท่านบอกว่าท่านจะไปสวรรค์กันให้ท่านนึกถึงพระท่านไม่นึกค่ะพระอาจารย์ตอนนี้ท่านมีแรงท่านทําแต่งานพอตอนนี้บ้านตายแล้วไม่ทราบว่าจะหาอุบายอะไรให้ท่านไปทางที่ดีเไม่ต้องไปสอนท่านหรอกท่านแจกว่าเราท่านรู้โลกมากกว่าเราอท่านอยู่ของท่านมาได้เก้าสิบหปีเราอยู่แบบท่านให้ได้ก่อนน โอ้ไปยุ <o> <dia> ่งอ่ะปรมาจารย์ทำไมคำถามจากคุณพิไลพรเท้าสกเทวราทีขาองค์ัดเคยเล่นกินหลวงตาเทพว่าจะมาขอฟังท่านหลวงตาไปไปไว้บูชาขอฟันท่านหลวงตาไปไว้บูชาอ่าก็ไม่รู้หละอันนี้เราลองไปค้นดูในกูเกิลดูกันดล ก็บอกคนที้เขามีพลังจิตเขาติดต่อกับเทวดาได้หลวงพ่อพระพุทธเจา้าก็ติดต่อกับเทวดาแสดงธรรมให้เทวดาฟังสนทนาธรรมกันได้ถ้าเป็นของจริงนะถ้าเป็นแบบที่เราคิดไปเองนี่มันยังไม่ได้เป็นของจริงฝันว่ามีเทวดามาหาเราเอย่างนี้มันไม่มได้เป็นของจริงเราฝันไปเองเราคิดไปเองแต่ถ้าฝันได้ต้องคุยกันได้ทั้งอาศา์ะทุกสุขดิบได้คำถามจากคุณดนานัยนะครับ ถ้าทําบุญด้วยเงินมากกับเงินน้อยได้บุญต่างกันหรือครับถ้าเช่นนั้นคนรวยก็จะมีโอกาสได้บุญมากกว่าคนจนตลอดใช่ไหมไม่ใช่เราพูดถึงคนคนเดียวกันเราคนเดียวเนี่ยถ้าเราทำสิบบาทกับทํา้อยบาทเนี่ยทำร้อยบาทมันได้บุญมากกว่าทำสิบบาท ไ, ได้ไหมแต่สองคนนี้อีกคนนึงเขาทำสิบบาทเราทำร้อยบาทคนทำสิบบาทอาจจะได้บุญมากกว่าคนทำร้อยบาทก็ได้เพราะอะไร เพาคนทำสิบบาทมีแค่สิบาททําหมดเลยคนทำร้อยบาทมีต้องแสนหนึ่งทำร้อยบาทมันก็ยังไม่หมดบนมือไม่เท่ากันตรงนั้นความรู้สึกใจความอิ่มใจไม่เท่ากันความสุขใจไม่เท่ากันถ้าถ้าพูดของคนคนเดียวกันเนี่ยทํามากยิ่งมากกว่ายิ่งมันก็ยิ่งได้มากยิ่งได้ความสุขมากแต่อย่าไปเทียบกับอีกคนหนึ่งถ้าไปเทียบอีกคนหนึ่งต้องมาว่าเขามีมากมีน้อยเขามีร้อยแล้วเท่าไหร่เขาทาร้อยแล้วเท่าไหร่ เขามีพันหนึ่งก็ทํำบวดไปทั้งพันเนี่ยก็ได้บุญมากเขาได้ไปบวชเนี่ยก่อนที่ออกบวชนี่เขาทําบวชเลยเราก็ได้ไปบวชได้ไปปฏิบัติธรรมที่สูงขึ้นได้แต่คนที่ทําพันหนึ่งแต่มีเงินล้านอย่างนี้มันรู้สึกอะไรเวลาคนมีเงินล้านแล้วทําเงินทําบุญแค่พันบาทมันก็รู้สึกไม่ไม่ไม่รู้สึกอิ่มใจอะไรทั้งล่ะเพราะมันไม่ได้เสียมากดันั้นมันมี หลายมุมมองในเรื่องของการทำบุญนะถ้าในคนคนเดียวกันเนี่ยทำมากมันก็ได้มากกว่าเหมือนกินข้าวอ่ะกินข้าวจานกับกินข้าวสองจานเนี่ยอันไหนจะอิ่มกว่ากันใช่ไหมแต่ถ้าเราไปเปรียบเทียบว่าคนนั้นเขากินสองจานเรากินจานเดียวเนี่ยเพราะคนนั้นเขาน้ำหนักมากกว่าเราสองเท่าอย่างเงี้ยตัวเขาใหญ่กว่าเราสองเท่าท้องเขาใหญ่กว่าเราสองเท่าเขาก็ต้องกินสองสองจานเขาถึงจะรู้สึกว่าเขาอิ่ม เ, เรากินจานเดียวเราก็าอิ่มเนี่ย อันนี้มันก็แสดงว่าคนนั้นเขาจะต้องกินสองจานเขาถึงจะได้บุญเท่ากับเราที่เรากินจานเดียวได้ความอิ่มจากที่เรากินจานเดียวกันแต่ในแง่ของวัตถุทานที่จะได้รับกลับคืนมาครับอาจารย์อ่พันหนึ่งก็จะได้พันหนึ่งสิบบาทกระไร บ, บวกดอกเบีย้ยจะได้มามากาสที่เราทําไปเวลาเรากลับมาเกิดใหม่นี่ยมันจะมีดอกเบี้ยด้วยเพราะกราดจะมากลับมาเกิดมันต้องหลายร้อยปี กันนอกเบี้ยอาจะมากกว่าต้นกันนะแค่ว่าคนที่ทําบุญน้อยกว่าอาจจะมีความสุขมากกว่าได้ใช่เพราะเขามีเขาเขาเสียสละมากกว่างัยอยู่ที่ก็ไม่ต้องใช้มันไม่ได้บุญดีกว่าง่ได้นิพพานได้ความสุขที่ดีกว่าเป็นบุญที่ถาวรบุญที่ทำไปก็หายก็ไม่หายไม่ส่งเราไปสวรรค์เราส่งไปนิพพานอ่างเราไปนิพพานไปเหมือนเป็นซื้อตั๋วเรบินไปนิพพานแทน คำถามจากคุณทิติยานะครับในกรณีที่ถือศีลแปดในชีวิตคารวะต้องออกไปทํางานทุกเช้าถ้าจําเป็นต้องแต่งตัวออกไปทํางานตามปกติลูกแต่งชุดทํางานตามปกติเสร็จแล้วจึงสมาทานศีลแปดวันทั้งวันก็ถือศีลแปดครบในวงเล็บคิดว่าครบค่ะทําอย่างนี้ถือว่าบาปไหมคะอ๋อการถือศีลมันไม่บาปแ ล, แล้วการไม่ได้ถือศีลแปก็ไม่ได้บาป ถ้าไม่ได้เกี่ยวกับศีลห้าถ้าไม่ฆ่าสัตว์รักษาประพฤติผิดแต่เวดีพูดปดหนึ่งสารานี้ไม่ไม่บาปเพียงแต่ว่าไม่สามารถรักษาศีลที่ละเอียดกว่าศีลห้าได้เช่นการไม่แต่งเนื้อแต่งตัวแต่งหน้าทาปากแต่ยามาเล่นแบบออศรีธนนชัยคือก่อนที่จะกอนที่จะถือศีลแปดก็แต่งเนื้อแต่งตัวแล้วก็มาสมาทานที่หลังเนี่ยไม่ได้อ มันไม่ใช่เกียรตนาลมของการถือสินแปดนี้เพื่อให้เราไม่มาวุ่นวายกับเรื่องของร่างกายไม่ต้องมาอาศัยร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขให้กับเราถ้าเราจําเป็นต้องแต่งตัวเพราะเป็นหน้าที่ก็แต่งไปตามหน้าที่แต่ไม่ต้องไม่ต้องใช้เครื่องสมากก็ก็ล้างหน้าล้างตาให้สะอาดก็พอละเหมือนผ้าอย่างเงี้ยล้างตาล้างตาให้สะอาดก็ใช้ได้ละไม่ต้องทาคิว้วทาปากทาอะไรไปหรอกใครก็จะพูดอะไรก็เรื่องของเขาเราอย่าไปสนใจเขาก็แล้วกัน เราแสดงว่าเราฉลาดกว่าเขาเขายัางโง่ยอยู่เขายัางคิดว่าความสุขอยู่ที่การแต่งหน้าแต่งตากันแต่ความสุขอยู่ที่การไม่วุ่นวายกับเรื่องของร่างกายเพราะต่อไปร่างกายมันจะต้องแก่ลงไปเรื่อยๆ <c oughs> เดี๋ยวก็ต้องมาวุ่นวายกับการดึงผิว <c oughs> มาถอนอะไรวุ่นวายไปหมดคําถามจาคุณกุสยานะครับ เทาหายของให้พระควรถวายสองมือหรือมือเดียวครก็ส่วนใหญ่จะนิยมถวายสองมือค่ะขออนุญาตหน่อยนะครับอาจารย์พอดีว่ามีผู้ต้องการคําถามครับไหครับถามได้เลยครับอยากให้ถามเลยถามต่ออนุญาตอยากรู้อยากทราบว่าเิดปัญหาอสวะพวกนี้ยคืออะไรมันแตกต่างกันยังไงแล้วเราจะจบมันได้ยังไงเราผ่านได้คือ มันก็เป็น <c oughs> เป็นชื่อที่เราเรียกในสิ่งเรื่องเดียวกันเนะ่ะเพียงแต่ว่าเราบางทีเราก็เรียกชื่อนี้บางเหมือนคนเราเนะี่ยมีหลายชื่อชื่อเล่นก็มีชื่อเต็มก็มีอ่อชื่อชื่อตามตำแหน่งก็มีอะไรเงี้ย <c oughs> ก็แล้วแต่แล้วแต่เหตุการณ์บางทีเป็นเพื่อนกันแล้วก็เรียกชื่อเล่นกันเวลาคนไม่รู้จักกันเราก็เรียกชื่อชื่อชื่อจริงของเขาอะไรเงี้ย กิเลสเป็นก็มีหลายชื่อบางทีเราก็เรียกโลภโกรธหลงบางทีเราก็เรียกตัณหาบางทีเราก็เรียกว่าอสวะมันก็พวกเดียวกันอ่าที่เราจะต้องกําจัดมันให้หมดไปจากใจของเราโดยการสมาธิเจริญปัญญานี่แหละแล้วก็จะกําจัดมันได้หมดมี <Okay. S 1> ใครอยากจะถามในทางนี้ไม่มีมีไหม คำถามจากคุณนายขนมต้มนะครับก็ผมพิจารณาขันห้ารูปเวทนาสัญญาสัขงขารและวิญญาณว่าไม่เที่ยงแต่ผมยังไม่เข้าใจอย่างถ่องแท้คือคำว่าวิญญาณวิญญาณกับคำว่าดวงจิตหรือจิตใจนี่อันเดียวกันไหมครับมันมีสองชื่อไงอย่างที่บอกวิญญาณนี่มีสองชนิดด้วยกันวิญญาณที่มาทาหน้าที่รับรู้รูปเสียงกลิ่นรสนี่ก็วิญญาณ ในขันก็เรียกวิญญาณในขันในเป็นนามขันจิตนี่มีขันตัวจิตตัวรู้เนี่ยมันจะมีขันอยู่สี่ขันขันก็คือตัวที่ทำหน้าที่ให้กับจิตเช่นวิญญาณก็เป็นตัวทำหน้าที่ไปรับรูปเสียงกลิ่นรสจากตาหูจมูกลินกายมาถ้าไม่มีตัวนี้ก็จะไม่สามารถรู้รูปรู้กลิ่นรู้รู้รสได้ต้องมีตัวนี้ไปรับไปเชื่อมกับร่างกาย ปิดนี้เป็นเหมือนกับสมัยนี้เรามีามีหุ่นเนี่ยแล้วคนบังคับหุ่นกับหุ่นนี่มันจะติดต่อกันได้มันต้องมีสัญญาณวิทยุสั่งให้หุ่นทำหน้าที่อะไรต่างๆไปรับภาพที่หุ่นถ่ายมามาเปิดดูที่จอทีวีอีกทีใช่ไหมอไอตัวที่ทำหน้าที่เชื่อมระหว่างคนคุมหุ่นกับหุ่นนี่เรียกว่าวิญญาณต่างการนี้เป็นหุ่น ใจเป็นเหมือนคนควบคุมหุ่นที่จะเห็นภาพที่ตาเห็นได้เนี่มันจะต้องมีวิญญาณไปรับมาจากร่างกายทีนึ่งรมาสู่ใจเราเรียกตัวนี้เรียกว่าวิญญาณวิญญาณขันพอวิญญาณส่งรับภาพมาแล้วมันก็จะส่งมาให้สัญญาขันสัญญาก็จะไปดูว่าภาพนี้เคยเห็นมาหรือเปล่าเป็นหญิงเป็นชายเป็นชื่ออะไรในกอในขอ สัญญาคือความจำมันก็จะพยายามนึกไว้คนนี้เคยเห็นหน้าหรือเปล่ามีชื่ออะไรหรือเปล่าถ้าถ้ารู้ว่าเอ่อเป็นหญิงรู้ว่าเป็นชายรู้ว่าเป็นเพื่อนรู้ว่าเป็นเป็นคู่อริกันเนี่ยมันก็จะเกิดเวทนาขึ้นมาใจความรู้สึกขึ้นมาถ้าเป็นเพื่อนก็จะเกิดสุขเวทนาขึ้นมาถ้าเป็นคู่อริกันก็จะเกิดทุกขเวทนาขึ้นมาพอเกิดสุขเกิดทุกขก็จะเกิดสังขารความคิดปรุงแต่งขึ้นมาความอยากขึ้นมา ถ้าเป็นเพื่อนก็อยากจะให้เขาอยู่ถ้าเป็นกลัวเลยก็อยากจะให้เขาไปอันนี้คือขันสีรที่มีอยู่ในใจทำหน้าที่ให้ให้กับใจเนี่ยส่วนตัวใจเนี่ยเวลาออกจากร่างกายไปเวลาขาดการติดต่อจากร่างกายร่างกายตายไปแล้วตัวจิตกับตัวขันที่อยู่ในจิตเนี่ยไปเราจะเรียกตัวนี้ว่าวิญญาณเหมือนกันเรียกว่าเป็นดวงวิญญาณ ดวงจิตดวงใจนี้เราจะเรียกเป็นดวงวิญญาณเวลาออกจากร่างกายไปเวลาอยู่ในร่างกายยังมีเวลามีร่างกายเราเรียกว่าจิตใจผู้รู้ผู้คิดแต่เวลาไม่มีร่างกายผู้รู้ผู้คิดนี้ก็จะเปลี่ยนชื่อไปเหมือนในหลวงไหมตอนที่เป็นพระเจ้าแผ่นดินก็มีในหลวงพอตายไปก็เป็นอยู่ในบรำ ม, มโกรดแล้วเรียกเรียกในหลวงไม่ได้แนละ้วมีในหลวงคนใหม่ขึ้นมาแล้วแล้วในหลวงคนเก่าก็ต้องเป็นในหลวงที่อยู่ในโกรด นี่มันฟังแล้วมันไม่มันไ ม, ม, นไม่มันไม่สนอหูเลยก็เลยเปลี่ยนเนี่ยเอาเรียกชื่อท่านดีกว่าแต่โบราณเ้ า, าคงจะเรียกในโกรดกันแต่สมัยใหม่เราฟังแล้วมันรู้สึกว่ามันไม่น่าฟังนะก็เลยเปลี่ยนแลก็เรียก เ, เรียกเป็นชื่อของท่านไปจะได้รู้ว่าเราพูดถึงในหลวงคนไหนพอรู้สึกว่าตามขนบธรรมเนียมประเพณีเดิมเนี่ยพอในหลวงตายปั๊บเนี่ยเขาจะต้องมีในหลวงใหม่ขึ้นมาทันทีเลยกลัวซ้ํากันรัเียกซ้ํานใช่อาาอ<ๆ>ใช่ แล้วก็เลยต้องต้องเปลี่ยนชื่อในหลวงเก่าไปว่าเป็นได้หลวงอยู่ในโกดแล้วนะในหลวงใหม่ไม่ได้อยู่ในโกดก็เปลี่ยนชื่อเวลาที่เรามีร่างกายเราก็เรียกว่าจิตใจเวลาไม่มีร่างกายเราก็เรียกว่าดวงวิญญาณอันนี้มีวิญญาณสองชนิดกันฮะวิญญาณที่เวลาไม่มีร่างกายจิตไม่มีร่างกายเรียกวิญญาณเวลาที่มีร่างกายก็มีวิญญาณที่ไปรับรู้รูปเสียงจิตรสอันนี้ก็เป็นวิญญาณอีกชนิดหนึ่งคนละตัวกันคนละอย่างกัน คำถามจะคุณจำปานะครับสติกับสติสมโภชงเหมือนกันหรือไม่คะแล้วทําอย่างไรถึงจะได้สติสมโภชงคือสมโพชงนี้เป็นสติอัตโนมัติเนี่ยก็เลยว่าสติแบบต่อเนื่องปติที่พวกเราทำกันนี้เป็นสติแบบไขลานใช่ไหมเวลาไขมันก็มีเวลาไม่ไขมันก็แต่ถ้าปฏิบัติไปเรื่อยๆแล้วมันจะเป็นอัตโนมัติไปมันจะมีโดยที่เราไม่ต้องไปไขลาน มันจะมีอย่างต่อเนื่องธรรมที่ไปอยู่ในสมโพนนี้เป็นธรรมที่เรียกว่าธรรมอัตโนมัติล่ะสติธรรมสมาธิธรรมวิริยะธรรมเป็นธรรมที่มันมีกําลังในตัวของมันเองละมันไปของมันเองละแต่เวลาเราเริ่มปฏิบัติใหม่ๆธรรมเหล่านี้ยังเป็นธรรมแบบล้มลุกคลุกคลานอยู่วิริยะก็ล้มลุกคลุกคลานบางวันก็ขยันบางวันก็ขี้เกียจน่สมาที่ับบางวันก็สงบบางวันก็ฟุ้งซ่านเนี่ยอันนี้เจะเรียกว่ายังไม่เป็น สมโพธิชงถ้าเป็นโพธิชงว่าไหร่แสดงว่ามันมันมีแล้วพ้อมแล้อยู่ตัวล้วมันมีแต่จะลุยไปข้างหน้าอย่างเดียวถ้าใครมีสมโพธิชงก็แสดงว่าใกล้จะนิพพานแล้วคาถามจากคุณน้องลินวัดป่ามณีการนะครับบุญสามารถลบล้างบาปที่ไม่หนักได้ไหมคะเคยคิดว่าอดีตเคยทาบาปปัจจุบันนี้สร้างแต่กรรมดี บาปจะยังอยู่ไหมคะบาปก็ยังอยู่แต่บุญที่เราสร้างนี่เป็นเหมือนเกราะกันบาปไงคือบาปมันจะเกิดแต่มันไม่มากระทบกระเทือนใจเหมือนกับถ้าเรามีเกราะกันกระสุนอย่างเงี้ยเวลาถูกยิงมันก็จะมีเกราะกันเอาไว้มันจะไม่เข้าไปที่เนื้อที่ร่างกายบาปที่เราทํานี้มันต้องเกิดกับเราแต่ถ้าเรามีบุญมันก็จะกันไม่ให้มันมากระเทือนใจเราใครด่าเราเราก็จะเฉยเฉยเราจะไม่โกรธจะไม่เสียใจ เวลาใครแย่งแฟนเราไปเราก็จะไม่เสียใจเพราะเรามีบุญมาคุ้มครองใจเราแต่บาปที่เราทำมันจะต้องเกิดแม้กระทั่งพระโมคคลานะท่านเป็นพออาาระอรหันต์ท่านยังต้องถูกเขาฆ่าตายเพราะบาป ท, ที่ท่านทำไว้เขาตามมาทันแต่ใจของท่านไม่หวั่นไหวใจของท่านเฉยเฉยเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะท่านมีบุญมีเกาะกันกระสุนคือบุญเนี่ย คำถามจากคุณยานิสานะครับอุทิศบุญให้คนตายแค่นึกถึงก็ได้แล้วใช่ไหมคะก็ต้องทําบุญก่อนถ้าไม่ทํามันจะไปนึกยังไง <c oughs> ก็ทําแล้วก็นึกได้อแต่ไม่ต้องใช้น้ําอย่างนี้ใช่น้ําไม่เกี่ยวเ็นแต่ว่าคนไม่รู้ว่าบุญเป็นยังไงเขาก็เลยเอาน้ํามาเป็นตัวอย่างของบุญว่าเวลาอุทิศบุญก็เหมือนเทน้ํากระแสน้ําก็เป็นกระแสบุญไปนั่นเอง เวลากวดน้ำไม่ต้องกวดน้าเขาเรียกกวดแห้งกันเนี่ยใช่หกวดแห้งไม่มีน้ว่ากวดได้บุตทิดบุญไปพอเราทําทสายบาสเสร็จปั๊บรับปรนั่งจิตอธิษฐานไปว่าเขาที่ส่วนบุญนี้ให้กับบุคคลนั่นบุคคลนี้ที่ด่วงรับไปแล้วตอนเขารอรับอยู่เขาก็จะรับไปต้องเกย์เอ่ยชื่อเขานะเพราะม่เหมือนการเขียนเช็คอะถ้าไม่ได้เอ่ยชื่อเดี๋ยวเขาเอาไปเบิกไม่ได้เดี๋ยวคนอื่นมารับไปก่อนเดี๋ยวเปรตตัวอื่นมารับไปก่อนได้มาแย่งไปได้ การอุทิศบุญถ้าอุทิศบุญนะในอาการของสมาธิจะรุนแรงกว่าไหมครับพระอาจารหรือไม่เหมือนไม่ต่างกันเนาะพระอก็เป็นความสุขเหมือนกันสมาธิก็เป็นความสุขน่าจะเป็นความสุขที่ดีกว่าบุญจากการทําทานเแต่ว่าเราจะมีหรือเปล่าเท่านั้นน่ะนั่ง น, นั่งกันเนี่ยมันจิตมันรวมหรือเปล่าถ้าเจิตมันไม่รวมมันไม่มีมันยังไม่ได้บุญหรอหมายความว่าอุทิศบุญตัวเดียวกันครับพระอาจารย์แต่ว่าอุทิศเนะ่ย อ่าจากที่แค่ก่าวกับเมานั่งเฉยๆก่อนนะแล้วแผ่ปุถิตก็ไม่รู้แหละถ้ามันจิตสงบมันก็จะแผ่ได้เต็มที่กว่ามั้งถ้าจิตไม่สงบมันอาจจะมีของแถมที่ไม่ <c oughs> เขาไม่อยากได้ไปเ <c oughs> อาลองเนียลอมเสียติดไปคํายถามวันนี้หมดครับอาจารย์ก็พอดีนะมีใครอยากจะถามอีกไหมไม่มีะเออองั้นก็พอสมควรแก่เวลานะ ก็ขอให้ท่านจงนำเราสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิพนะิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอ